เล่มนี้ผมรู้สึกผมชอบเล่มนี้นะก็ะไปเจอก็อเจอพระธรรมที่เคยได้ยินมาจนชินหูแล้วแต่วันนี้เกิด <c oughs> เกิดเกิด <c oughs> ลึกซึ้งเกิดศรัทธานะฮะคือโสตาปาติยังข้านะะดูง่ายๆนะึนะผมอ่านให้ฟังนะกุลบุตรเกิดศรัทธาแล้วย่อมเข้าไปใกล้ เมื่อเข้าไปใกล้ย่อมนั่งใกล้เกิดศรัทธาก่อนนะเพราะฉะนั้นเริ่มต้นีนตรงศรัทธานี่สําคัญกุลบุตรเกิดศรัทธาแล้วย่อมเข้าไปใกล้แสดงว่าแสดงว่าต้องเป็นคนมีบุญมาก่อนบุเพกตาปุญญาตาต้องมีแน่นอนนะถ้าไม่มีอยู่ดีๆจะเกิดศรัทธาคงเป็นไปไม่ได้นะแสดงว่าพวกเรามีบุญพอสมควรนะ กุลบุตรเกิดศรัทธาแล้วจึงเข้าไปนั่งใกล้เมื่อเข้าไปใกล้ย่อมนั่งใกล้เมื่อนั่งใกล้ย่อมเงี่ยหูลงฟังเมื่อเงี่ยหูลงฟังแล้วย่อมฟังธรรมแม่นี่ละเอียดมากนะขนาดตะตะแข้งนี่เลยนะแล้วฟังธรรมครั้นฟังธรรมแล้วย่อมทรงธรรมไว้คือตรงนี้เนี่ยนะที่ว่า ที่ว่าสนใจคือว่าตรงนี้คือฟังธรรมแล้วย่อมทรงธรรมไว้นี่ชัดเจนเลยถ้าไม่ทรงไว้เนี่ยนะเราจะเอาอะไรมาพิจารณาเพราะว่าข้อต่อไปบอกว่าย่อมทรงธรรมไว้ย่อมพิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงไว้แล้วนะก็เอามาครุ่นคิดมาพิจารณาเนะี่อันนี้จะเห็นประโยชน์มากเลยนะ เมื่อพิจารณาเนื้อความอยู่ธรรมะทั้งหลายย่อมทนต่อความพินิษแสดงว่าพระธรรมที่เรานำมาตึกนำมาเพ่งพิจารณานั้นเนี่ยนะเป็นสัจธรรมเป็นธรรมะที่ทนต่อการพิสูจน์เพราะยิ่งเพ่งพินิษฐ์ยิ่งเห็นความเป็นสัจธรรมยิ่งยิ่งเห็นเป็นเหตุเป็นผลนะนี่นี่เป็นความจริงนีถ้าใครไม่เคยเพ่งก็อาจจะยังไม่ซึ้งตรงนี้นะฮะ ย่อมพิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงไว้แล้วเห็นไหมคือพิจารณาเนื้อความที่ที่เราจําไว้นั่นแหละเมื่อพิจารณาเนื้อความอยู่ทำทั้งหลายย่อมทนต่อความพินิษฐเมื่อธรรมะทนต่อความพินิษฐได้อยู่ฉันทาย่อมเกิดนี่นี่นี่ัน น, นนี่เกิดผมเคยเกิดนะเมื่อพิจารณาไปแล้วก็เห็นตรงตามที่ตัดไว้นะแล้วก็เกิด ฉันทะเกิดฉันทะที่จะศึกษาต่อไปที่จะภาคเพียรต่อไปนะฉันทะเกิดแล้วย่อมไตรตรองพิจารณามากขึ้นไตรตรองแล้วย่อมตั้งความเพียรเห็นไหมพอเราเริ่มเข้าใจเราเริ่มเริ่มมีความพอใจแล้วความเพียรมาเองนะเพราะฉะนั้นถ้าเราศึกษาไปแล้วนะความเพียรไม่เกิดเลยนี่ต้องเงียวเงี่ยหูลงมากๆหน่อย ย่อมตั้งความเพียรเมื่อมีตนส่งไปแล้วย่อมกระทําให้แจ้งชัดซึ่งปรมัตทสัจจานั้นด้วยกายนะเดี๋ยวให้ท่านอาจารย์ที่บายหน่อยผมไม่รูู้่ตรงนี้แต่ยังไม่ได้เปิดอั้งคาถานะเมื่อมีตนส่งไปแล้วย่อมกระทําให้แจ้งชัดซึ่งปรมตทสัจจะทําให้แจ้งต่อปรมัตทสัจจะเนี่ยก็คงจะไม่ใช่สัจจะประมาที่เราเราคิดๆนะจิตเจตสิกรูกคงไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนะคงจะต้องหมายถึง พรนิพพานทีเดียวนี้นะครับและเห็นแจ้งแทงตลอดซึ่งปรมตทสัจจานั้นด้วยปัญญาตรงนี้ผมตอนท้ายผมผมยังไม่ค่อยเข้าใจนะเดี๋ยวให้ท่านอาจารย์อนธะิบายผมทวนให้ใหม่นะกุลบุตรเกิดศรัทธาแล้วย่อมเข้าไปใกล้เมื่อเข้าไปใกล้ย่อมนั่งใกล้เมื่อนั่งใกล้ย่อมเงี้ยหูลงฟังถ้ให้พลาะนะก็ย่อมเงี้ยโสดลงฟัง เมื่องี้โสดลงแล้วย่อมฟัง ร, รมครั้นฟังทำแล้วย่อมทรงทาไว้ย่อมพิจารณาเนื้อความแห่งธรรมะที่ทรงไว้แล้วเมื่อพิจารณาเนื้อความอยู่ทาทั้งหลายย่อมทนต่อความพินิษเมื่อทำทนต่อความพินิษได้อยู่ฉันทะย่อมเกิดเมื่อฉันทะเกิดแล้วย่อมไตรตรองครั้นไตรตรองแล้วย่อมตั้งความเพียร เมื่อมีตนส่งไปแล้วย่อมกระทําให้แจ้งชัดซึ่งพระมัทสัตจะนั้นด้วยกายและเห็นแจ้งแทงตลอดซึ่งพระมัทสัตจะนั้นด้วยปัญญา น, นี่ก็มีเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดชัดเจนเลยนะจุดนี้แล้วก็ข้อความทํานองนี้เนี่ยนอกจากจะปรากฏในในกุตกรนิกายปฏิสัมพิธามักแล้วก็ยังปรากฏอยู่ใน ในสูตร อ, อื่นอื่นอีกหลายสูตรนะครับเช่นปรากฏอยู่ในในไหนมั้งครับท่านครับกผมมีอาจารย์ผมส บ, บายอ่ะที่ไหนมั่อโจไปไหนก็ไม่รู้เอาละมีว่างั้นเถอะนะเล่มที่สิบผมจำได้หน้าสี่้ยี่สิบแปดต่จำไม่ได้ชื่ออะไรในนะกีตาค์ีรีสูตรก็มีในจังกีสูตรก็มีไม่บอกไม่เชื่อ อธาันตอาจารย์ว่าไงครับเนี่ยย่อมกระทบเอาก่อนนีครัเมื่อมีตนส่งไปแล้วนี่ยังไงครับมีตนส่งไปในที่นี้ก็คือไม่สละก็ไม่เสียดายกายและชีวิตในขณะที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยนะคือถ้าผู้ที่พิจารณาพระธรรมเหล่านั้นได้มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเพียงพอแล้วน ะ, ะไม่รู้สึกเสียดายในอะไรแม้สักอย่างเดียวเลยนะไม่เสียดายในกายไม่เสียดายในชีวิตเลยทุ่มเททั้งชีวิตเลย เพราะบางแห่งภิกสุสมัยพุทธกาลนั้นท่านนอนนิดเดียวนะนอนนิดเดียวฉันเสร็จเดินจงกรมนั่งเดินนั่งเดินนั่งเดินอย่างเงี้ยจนเวลาค่ำส่งน้ำส่งน้ำเสร็จทำต่ออีกจนสี่ทุ่มก็พักหน่อยตีสองเอาเอาใหม่อย่างเงี้ยนอนน้อยมากนอนน้อยมากจริงๆท่านท่านท่านคิดอะไรของท่านเนาะ คิดได้ทั้งเป็นวันเป็นคืนเดินเนี่ไม่ใช่เดินคุยเนี่เดินคนเดียวด้วยเดินกลับไปกลับมากลับไปกลับม า, านั้นนะแหละแล้วก็นั่งเดินนั่งเดินนั่งอยู่นั้นแหละเพราะว่าทนต่อความเพ่งพินิจเพราะว่าอมันเหมือนกับว่าโอกาสนี้เป็นโอกาสสุดท้ายของท่านนะะเพราะว่าท่านเหล่านั้นเป็นผู้ที่รับกรรมฐานจากพระผู้มีพระภาคนะการที่จะทําให้เป็นที่ประทับใจของพระผู้มีพระภาคนั้น ผู้ที่ทําย่อหย่อนเป็นต้นก็ไม่เป็นที่พระองค์พึงใจอนะเพราะฉะนั้นก็ทําเพื่อที่จะให้พระผู้มีพระภาคนั้นโปรดปราณางั้นถามว่าทําเอาใจพระพุทธเจ้าไหม mm. ปลาหรอกเพราะท่านเหล่านั้นเป็นผู้ที่มีศรัทธานะอย่าลืมนะว่าทุกวันนั้นเขาจะได้ฟังคําที่ออกจากพระโอษฐ์ทุกวันเลยก็คือหนึ่งความเกิดเป็นมนุษย์ของท่านทั้งหลายหายากนะ และข้อสองก็บอกว่าการที่ท่านทั้งหลายเนี่ยจะได้ออกมาบวชอย่างนี้ก็ยากนะที่ท่านทั้งหลายจะได้มีศรัทธาแบบนี้ก็หายากนะและขณะที่อวัยวะเป็นต้นไม่พิการนี่เรียกว่าขณะมีตามีหูเป็นต้นเหล่านี้ก็เป็นของยากนะนะการที่ท่านทั้งหลายเนี่ยมีศรัทธาได้ออกบวชนะแล้วก็พระสัทธธรรมเนี่ยนะ ปริยติสัตธรรมปฏิบัติสัตธรรมปฏิเวส <c oughs> สัตธรรมเนี่ยเป็นของที่หาได้ยากยิ่งนะมันอย่าปล่อยให้ขณะเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยผ่านพ้นไปได้โดยง่ายแล้วพระองค์ก็ยังแสดงถึงลักษณะว่าจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมอคาว่าประมาทก็คือคนที่ปล่อย <c oughs> ปล่อยใจไม่เป็นไปกับผูศนั่นเองนะไม่ <c oughs> ไม่มีใจเป็นของตน น, นะ เมื่อใจเป็นไปกับอกุศลนี่เรียกว่าไม่มีใจเป็นของตนถ้าใจเป็นไปกับอกุศลเรียกว่ามีใจเป็นของตนอย่างเงี้ยท่านเหล่านั้นเห็นอ น, นิสง์มากเพราะฉะนั้นท่านก็เลยกล้าที่จะตั้งความเพียรมีตนส่งไปแล้วไม่เยื่อใยในกายและชีวิตนะแล้วในที่สุดเมื่อท่านสละความเสียดายทั้งหมดได้แล้วเนี่ยนะพิจารณาถึงความจริงก็สามารถทาให้แจ้งปรมาทสัจจะด้วยกาย กายในที่นี้หมายถึงนามกายนะหมายถึงนามกายนั่นเองก็คือการทํามัทผลนิพพานให้แจ้งนะถ้าระดับเบื้องต้นเรียกว่าโสดาปฏิมัตินั่นเองก็สามารถที่จะแทงตลอดหรือบรรลุธรรมในระดับเป็นพระโสดาบันนะก็แส ด, สดงว่าคำกายเนี่ยเราเผลออยู่เลยเพราะว่าในพระไตรปิฎกพระพูดถึงกายคําเดียวเนี่ยเรา เรามักจะมุ่งมั่นรรปปรเรื่องรูปธรรมเรื่อยเลย น, นี่เป็นความชินกับควา ม, อ, มอะไรที่เราชินกับภาษาไทยนะฮะแต่จริงอ่ะนามกายมีตั้งสี่คร<ช>ับแต่เราก็ไม่ค่อยสนใจนะเเพ่งมัน<ช>ถ้าออ่แล้วก็อะไรฮะและเห็นแจ้งถ้ามีเห็นแจ้งปรมตาสัจจะต้องสองอย่างนะทางด้วยกายหมายความว่าอันนี้ก็เห็นแจ้งเบื้องต้นก่อนใช่ไหมครับเจ็ดท่าและเห็นแจ้ง แทงตลอดซึ่งพระมัทสัจจะด้วยปัญญาอันนี้คงจะบรรลุมรคนนะเจนพอก็อรมรคนเหมือนกันนั่นแหละหนะแต่คําว่าพระมัทสัจจะ น, นั้นเป็นเชื่อของนิพานนะซึ่งเป็นสัจจะที่เป็นประมตทอย่างยิ่งนะ ห, ห, หมายถึงพระนิพานนั่นเองเพราะพระนิพานนั้นจะแทงตลอดได้ก็ด้วยกายและด้วยปัญญาแต่กายในที่นี้ก็คือนา ม, มากายนั่นเองนะคือเมื่อมีตนส่งไปแล้วเนี่ยนะเพราะว่าท่านเหล่านั้นเนี่ย ถ้าอย่างท่านมีวิปัสนาภูมิเป็นต้นเป็นอารมณ์เนี่ยท่านตรึกแต่เรื่องวิปัสนาภูมิเนี่ยนะอยู่อย่างนั้นเนี่ยเป็นวันๆอ่ะแล้วไม่ใช่วันเดียวด้วยนะบางองค์เนี่ยทรงพระไตรปิฎกอยู่แล้วท่านตรึกเรื่องนี้อยู่สามสิบปีอย่างนี้ยกตัวอย่างนะว่าอของท่านเนี่ย จ, จัดแจงแจ้งขนาดไห น, นบางองค์นี่แค่มองเห็นคลื่นในทะเลหรือมองเห็นกว้างใหญ่ไพศาลของทะเลนึกถึงคําสอนนะเกิดปีติเป็นต้นนะแล้วก็ทําให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้ ย่อมกระทําให้แจ้งชัดซึ่งพระมัทสัจจะนั้นด้วยกายนี่ผมจะหมายถึงอุปาทานขันนี่พอเป็นไปได้นะครับคืออุปาทานขันนี้น้นตั้งแต่ฟังต้นๆนะนะแต่อย่างอุปาทานขันก็คือเรื่องของการไตรตรองนั่นเองอารมณ์ของการไตรตรองก็คือเรื่องของอุปาทานขันนะคือธรรมะทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยเป็นสายสายอริยมรรคที่เจริญเติบโตขึ้นนะ สายกุศลจิตที่เจริญเติบโตขึ้นไม่ได้กล่าวเลยว่าพิจารณาอะไรนะตรงนี้เห็นไหมไม่ไม่บอกชัดเลยว่าพิจารณาธรรมะหมวดใดเพราะน่ะธรรมะที่เขาพิจารณานั้นจะเป็นขันธ์ธาตุยตนะสัจจะอินรีย์ปฏิจจสมุปบาทอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แต่ว่าลำดับของกุศลธรรมต้องเป็นไปตามนี้นะอันนี้พระองค์เน้นสายมัคคสั์อย่างเดียวในสัจจะสี่ว่าอริยมรรคจะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะเป็นไปตามลำดับแบบนี้ทีนี้ เมื่อเรากล่าวอย่างนี้เนี่ยอย่างเช่นคําว่าธรรมะทนต่อการเพ่งพินิษฐ์เป็นต้นเนี่ยนะพวกนี้ก็เป็นคำว่าก็คือฌานนั่นเองแะก็คือพวกลักคณูปนิสชาญเป็นต้นซึ่งรายละเอียดในเรื่องนั้นก็เป็นเป็นอาณาจักรเอกอาณาจักรหนึ่งเลยเหมือนกันก็เป็นวิวปัสสนาภูมินั่นแหละเจตพัน อ, อ, อีกสักนิดนึงนะครับคือชอบใจสูนย์นี้เหมือนกัน จะเสียเวลาท่านเปล่าไม่สูตรนี้นะฮะก็อยู่ในปฏิสัมพิธามากเหมือนกันนะฮะแล้วก็อยู่ในหน้าต้นๆด้วยและเรื่องนี้ก็อยู่ในคุตกนิกายปฏิสัมพิธามากเหมือนกันนะฮะคือคมภีร์เล่มนี้ภาษารีบุตรเป็นผู้อธิบายธรรมะเขยายธรรมะกว้างขวางออกไปนี่นะครับแล้วก็เล่มหนาเบเล์ลมเลยโดยเฉพาะเล่มแรกๆไอ้หน้าแรกๆนี่นะครับ ก็กล่าวถึงยานะยาณกถานะฮะในญาณกถานั้นน่ะมีสามวักรักละสิกถารวมเป็น30มสิถานี่นะฮะแล้วก็ท่านให้เหตุผลว่าทําไมาภาษารีบุตรจึงกล่าวญาณกถาไว้แต่ต้นนี่นะฮะคือมีเรื่องเยอะนะครับทําไมจึงเอาเรื่องของญานะเอามากล่าวไว้ตั้งแต่ต้นนะท่านก็กล่าวไว้ว่า เพราะยาณะเป็นเบื้องต้นแห่งการปฏิบัติเพราะเป็นธรรมะเครื่องชั่มะมณทินแห่งการปฏิบัติสมจริงดังพระดํารัสของพระผู้มิภาะเจ้าว่าดูก่อนภิกษุเพราะเหตุนั่นแหละเธอยังเบื้องต้นแห่งกุศลเธอจงยังเบื้องต้นแห่งกุศลธรรมทั้งหลายให้บริสุทธิก่อนเบื้องต้นแห่งกุศลธรรมทั้งหลายคือศีลอันบริสุทธิ์ที่ดี และความเห็นตรงนี่นะครับคือความเห็นตรงก็คือหมายความว่าเป็นปัญญาเบื้องต้นที่สุดเลยได้แก่กรรมสกตาปัญญาหรือว่ากรรมสกตาสัมมาทิฏฐินี่นะครับก่อนที่จะไปเป็นชานะสัมมาทิฏฐิหรือว่าวิปัสนาสัมมาทิฏฐิหรือว่าขึ้นไปสูงๆูงเนี่ยนะครับพื้นฐานที่สุดเลยก็คือปัญญาอันนี้ต้องมีก่อนได้แก่กรรมสกตาปัญญานะฮะสีบริส hey? ุทธ yes> ิ์และกรรมสกตาปัญญา เอซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเคยไปสนทนาธรรมกันแล้วก็ไม่มีผู้เห็นด้วยเนี่ยก็เลยก็เลยมามาเห็นว่านี่เป็นพุทธพจน์นะพระองค์กล่าวไว้แม้แต่ภาษารีบุตรพระองค์ก็ยังอ้างพุทธพจน์ภาษารีบุตรจ ะ, ะยกข้อความนี้ขึ้นมาได้สมจริงดังพระดํารัสของพระผู้มีพระเจ้าตรัสเห็นไหมข้อความตรงนี้เป็นอัตถิทานะครับเป็น ชื่อคำพีสัตถธรร ม, มประกาศนนะีเป็นอัตกรกทาของคำพีปฏิสัมพิธามะแต่ว่าในเล่มเล่มถัดไปนะเล่ม69เก้านี่ยในเล่มนั้นกล่าวถึงความสำคัญของศีลเหมือนกับแผ่นดินในเล่มเล่มถัดไปเนะี่ยจำชื่อเรื่องไม่ได้เพราะว่ า, าบุคคลอาศัยศีลและเจริญโพชิฌเจ็ดและก็เจริญอินทรีห้าในเล่มเล่มถัดไปจะมีอันนี้เป็นคาของภาษาบุตรเลย แต่เฉพาะตรงนี้นี่ท่านให้เหตุผลถึงลักษณะว่าคำภีปฏิสัมพิธามรักเนี่ยสองเล่มถ้าถ้ามีอัตถกาถาถ้าไม่มีอัตถกถามีเล่มเดียวมีอยู่30สิเรื่องในเรื่องที่หนึ่งเนี่ยกล่าวถึงญานกถาใช่ไหมในยาณกขาเนี่ยท่านก็มาให้เหตุผลว่าทําไมถึงต้องตั้งยาณกถาก่อนอย่างที่ผู้การเอามาอ่านยกถึงความสําคัญของปัญญาเพราะว่าปัญญานั้นเป็นเบื้องต้นของกุศลทาง นะท่านก็ให้เหตุผลอีกหลายอย่างานะเสร็จแล้วท่านก็ยังให้เหตุผลทำไมต้องมาเรียงสุตะมยญายานขึ้นเป็นอันดับแรกอีกนะในญาณทั้งหมดมีอยู่73ยาญาณนะในญาณของปฏิสามพิธามักทำไมจึงยกสุตะมยญาญนขึ้นมาก่อนนะก็ยกเหตุผลกับที่ที่เอามาอ่านตอนแรกนั่นแหละให้เห็นความสำคัญของสุตะมยญาญนนะแล้วก็สาวกทั้งหลายนั้นเจริญงอกงามในธรรมวินัยนี้ได้ด้วยการการฟัง แล้วยังชอบใจในกีตาคิริสูตรนะถ้าหากว่าตั้งแต่ศรัทธาเป็นต้นไม่มีแล้วเนี่ยนะไม่เกิดศรัทธาไม่มีการขอดไปหาแล้วผมบอกว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายโมคะบุรุษเหล่านี้ห่างไกลจากธรรมวินัยนี้เพียงไรอนะใช้คําว่าห่างไกลจากธรรมวินัยนี้เลยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าการทรงจําเป็นต้นไม่มีแล้วเราปฏิบัติอะไรในชีวิต ชีวิตของเราเนี่ยนะสรุปสรุปแล้วนะเคยเคยสรุปสรุปชีวิตพระองค์กล่าวไว้ว่าการสํารวมจักุเป็นความดีนะในคาถาธรรมบทนี้ชอบใจคาทานี้มากความสํารวมหูเป็นความดีความสํารวมจ ม, มูกเป็นความดีความสํารวมลิ้นเป็นความดีการสํารวมกายเป็นความดีนะการสราํสรวว า, าสรวมใจเป็นความดีการสํารวมกายสํารวมวาจาและสํารวมใจเป็นความดี เมื่อบุคคลสำรวมทวารทั้งปวงแล้วย่อมพ้นจากทุกข์ทรมูลได้นะถ้าหากว่าสำรวมได้ในทวารทั้ ง, งะนะตาหูจมูกเล้นกายแล้วก็กายวาจาใจน ะ, ะถ้าหากว่าชีวิตของเราก็มีอยู่เท่านี้เองนะทะวารรับก็ตาหูจมูกเล้นกายทวารแสดงออกก็กายวาจาใจนะ ก, ก็มีอยู่เท่านี้เมื่อมีอยู่เท่านี้เนี่ยเราสามารถสรุปชีวิตเหล่านี้ได้ ถ้าเราสรุปชีวิตเหล่านี้ได้เนี่ยนะถ้าเอาคําสอนใส่ลงมาจะเห็นว่ารายละเอียดของในทั้งหมดเหล่านี้มีมากมายมหาศาลถ้าเราไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องคําสอนซะแล้วเนี่ยจะปฏิบัติอย่างไรนะคืออารมณ์ของวิปัสสนาภูมิเนี่ยนะถ้าสมมติอุปมาเหมือนกับก็เหมือนกับการอ่านหนังสือนั่นแหละแต่มันเป็นการอ่านชีวิตในทวารทั้งหเหล่านี้นะ ท, ที่สรุปมาก็คือ ตาหูจมูกเลนกายใจเนี่ยน ะ, ะเมื่อลงมาอย่างนี้เนี่ยถ้าบุคคลไม่มีความเข้าใจพระธรรมคาสอนนล้วจะจัดการอย่างไรนะจัดจัดการอย่างไรคนที่มีสาระหรือไม่มีสาระก็สอบส่วนได้จากตรงนี้เป็นต้นนั่นเองนะที่เคยถามว่าคนทุกคนมองเห็นเหมือนกันเนี่ยคนมีศาสนาคนมีคำสอนกับคนไม่มีคำสอนแตกต่างกันอย่างไรนะ ถ, ถ้าอย่างนี้เราอาจจะเห็นไม่ชัดอีกอย่างหนึ่งว่าคนอ่านหนังสือออกกับอ่านไม่ออกเนี่ยนะแตกต่างกันขนาดไห น, เ, นเมื่อเห็นหนังสือเล่มเดียวกันเนี่ยยกตัวอย่างเลยขอมาเห็นหนังสือภาษาอังกฤษนะอยากปิดเลยทันทีเลยพึดไปหมดไม่รู้คืออะไรนะรู้ได้ a b c d ท่านั้นแหละนะอ่านต่อไปไม่รู้สักอย่างนะยังมากอ่านโตโยตานิสสันฮอนดา้าอะไรอ่านออกแคนะ่นะั้นแหละนะ ที่เหลือไม่ต้องถามเลยว่าคืออะไรเราเห็นว่าเราไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นเลยะน ะ, ะทีนี้เราก็มองมาย้อนเครื่องชีวิตของเราเนี่ยนะโดยพระธรรมคำสอนถ้าเราไม่มีความเข้าใจคำสอนในขณะที่เห็นเป็นต้นเลยเนี่ยนะเราเรานี่ห่างไกลาจากธรรมวินัยเพียงไรนะห่างไกลาจากพระพุทธศาสนาขนาดไหนถ้าเรามองเห็นแล้วไม่เห็นทมด้วยเห็นแต่สีไม่เห็นอริยสัจเนี่ยนะ เราไกลขนาดไหนหูได้ยินเสียงแต่ว่าไม่ได้ยินเสียงอริยศาสตร์เนี่ยไกลจริงๆเลยน ะ, ะเราศึกษาพระธรรมเนี่ยเราต้องสงเคราะห์คําสอนลงมาได้เลยในส่วนเพราะว่าสีเนี่ยนะคืออาริยมณปัจจัยเมื่อเป็นอาริยมณปัจจัยเนี่ยเป็นอาริยมณปัจจัยของกุศลและอกุศลกุศลและอกุศลนั้นก็ล่วงมาทางกายกรรมและ วจีกรรมน น, นะกระแสะแห่งคำสอนเหล่านี้กล่าวไว้อย่างไรบ้างเพราะว่าคำสอนเนี่ยนะไม่ค่อยไม่ค่อยอธิบายเรื่องต้นไม้ภูเขามากนักอย่างมากก็อุปมาบ้างนะส่วนใหญ่แล้วเน้นมาที่ที่ชีวิตนะมาที่ตัวเรานั่นเองถ้าหากว่าเรามองชีวิตเราน้อยความเข้าใจในเรื่องคำสอนก็ น, น้อยด้วยใช่ไอที่สนใจตรงนี้เนี่ยนะครับคือ ศีลบริสุทธิ์และทิฏฐิที่ตรงนี่นะก็มีผู้ค้านว่าโอ้หมวดจะทำศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะถึงรถเคยไปเจริญที่ปัสนามันเป็นยังไงก็เจริญไปเลยสิทำํำนองนั้นนะครับเอตรงนี้นี่นะครับผมมาฟังท่านอาจารย์สมบัติเล่าถึงบอกว่ามีพระภิกษุที่ท่านเหล่านั้นยินดีที่จะมาประพฤติปฏิบัติตามธรรมวินัยของวินัยอย่างเคร่งครัดมีมาเรียนมาอะไรมี ไม่มีไม่น้อยแต่ว่า <c oughs> พิกษูเ่านั้นเนี่ยได้ผิดศีลได้ปฏิบัติผิดมานานหมักหมมมานานนะแล้วเมื่อมารู้ตัวมาเรียนรู้ความจริงว่าจริงๆแล้วนะ่ะเราได้ผิดมานานอย่างนี้แล้วเนี่ยก็เกิดวิปฏิสารเมื่อเกิดวิปัิสารก็เรียนต่อไปไม่ได้เพราะคิดถึงเรื่องเก่าทีไรมันก็ฟุ้งซ่านแล้วก็มันหมักหมมถจนบางอย่างแทบจะชาระไม่ออกเลยนะถึงจะมา ชำระให้สะอาดยังไงก็ไม่ไหวนะใช่ค่ะแล้วในที่สุดก็ <c oughs> ได้ปลีกตัวออกไปนี่เป็นจํานวนไม่ไม่น้อยเลยนะครับอันนี้อันหนึ่งนะครับที่เห็นว่าเรื่องศีลบริสุทธิ์นี่นะมีความสําคัญมากนะผมจึงระยะระยะที่ผมมาเจอเรียนกับท่านอาจารย์ทุ่บัตรผมคํานึงถึงเรื่องศีลมากขึ้นนะให้ความสําคัญของศีลมากขึ้นเคยมาถามตัวเองว่า ในสิกขาสามี่นะสินลสิ ข, า, สขาเนี่ยเราเราศึกษาไปแค่ไหนอุย้ยน้อยมากเลยรู้แค่ศีลห้าสินแปดสมัยพุทธกาลหวละเยอะตายเลยนะเนี่ยเป็นถึงปฐห์ปรมัตถ์ึงบัตร น, นี้เนี่ยแหละเราเนี่ยรู้เรียนเรื่องสีนเนี่ยรู้แค่ศีลห้าสินแปดแล้วก็นานๆก็ถือจะศีลแปดสักทีหนึ่งได้นะครับก็ยิ่ง โคปาละกาด้วยมั้งโคละประกระด้วยนะโคปาละกาโคปาละกาด้วยนั่งนับโคอยู่นั่นนะไปกินน้ําที่หนูกินน้ำที่นี่เรานั่นเองเมื่อได้กินนมกินเนยเขาเลยนะฮะครอวนี้คงจะได้กินบั่งนั่นเออศีลบริสุทธิ์และทิฏฐิที่ตรงนะครับอ่านี่เป็นพื้นฐานก็ขึ้นอยู่ก็นี้เข้ากับรถเจ็ดผัดพอดีเลยเจริญใช่ไหมและอีกอย่างหนึ่งนะการเจริญกุศลธรรมในพระพุทธศาสนา ยกตัวอย่างในเพศของบันปะชิตเนี่ยนะถ้าหากว่าท่านไม่พิจารณาทมให้เกิดปีติเป็นต้นนะธรรมะที่พิจารณาเนี่ยเดินไม่ได้พิจารณาต่อไปไม่ได้เว้นไวแต่ว่าสาทยายอย่างเดียวที่เคยจำได้แต่ว่าในชั้นของการเอามาตรึกมาพิจารณาเนี่ยพิจารณ า, า, รณาไม่ได้ะนะเลยยกตัวอย่างเออไม่ได้ปงอบัตอย่างเงี้ยนะแค่นั้นแหละ ต้องไปทําอย่างอื่นซึ่งไม่ใช่พิจารณาพระธรรมที่ละเอียดลึกซึ่ง น, นะต้องเป็นการอ่านก็พอได้นะหรือการสาธยายสวดเป็นต้นก็พอได้แต่จะมาตึกขันเนี่ยมีลักษณะอย่างไรขันคืออะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเอาสภาวะทำอย่างใดอย่างหนึ่งมาตั้งแล้วพิจารณาต่อไปเนะี่ยยังไงก็ไม่ได้นะยิ่งพิจารณายัางไงยิ่งฟุ้งฟ่านนะยิ่งฟุ้งซ่านเพราะนั้นสมัยใดที่ฟุ้งซ่านไม่ให้เจริญธรรมวิจรารสามโพชจงเป็นต้นนั่นเอง มันก็ต้องไปเจริญกุศลธรรมด้านอื่นก่อนนะแล้วก็ไม่ไปแสดงคืนก่อนแล้วก็จะสบายใจทีนี้ที่พบในพระไตรปิฎกหลายแห่งก็คือท่านท่านเจริญกุศลศีลเนี่ยนะจนได้เกิดความปีติปราบเพลิมสมนัตอะนึกถึงเรื่องศีลแล้วยิ้มเลยนะมีความสุขเลยอะนะของเรานึกยังไม่ออกเลยยิ้มได้ยังไงยังไงอย่างยกตัวอย่างนะ วันนี้เพิ่งมาตรึกเรื่องอาชีพอาชีพนะก่อนหน้านี้ไม่กระดิกหูเลยอ่ะใครพูดเรื่องอาชีพเอออาอาเยาสาวุกนี่ประกอบอาชีพที่ไม่เป็นไปกับกายทุจริตสามวิจีทุจริตสีเป็นอาชีพที่ไม่มีโทษนะสูตรมีอยู่เท่าเนี้ยจําได้เท่านี้แหละนะแล้วก็ยังไม่เห็นความลึกซึ้งของอาชีพอะไรเลยฟังก็ออกใช้ใช้ตอนหลังก็มาศึกษาเออถ้าของพระมีอเนสนาการรมยี่เอ็เข้ามาอีกหน่อย ออรู้เรื่องอเนสนากรรมแล้วนึกถึงพระวินยัยนะอเนสนากรรม21แล้วประกอบอาชีพท่าพระก็มีบินทบาตเป็นต้นเนี่ยนะตามพระธรรมวินยัยขนาดนี้เราก็ว่าลึกซึ้งไปตั้งเยอะแล้วอเ น, นสนากรรมก็คือประพฤติไม่ชอบที่เช่นการให้ใบไม้การให้ดอกไม้เกลีย ก, กล่อมคารวะเป็นต้นนั่นเองนะอาชีพหมอดูหมอเดาอะไรต่างๆที่เกี่ยวขอ้อง เพื่อประจบประแจงคารวะต้นต้นรับเลี้ยงเด็กรับส่งข่าวสารให้ะพวกนี้ไม่ได้ทักอย่างแต่ทีนี้เรามาพิจารณาถึงว่าถ้าเท่านั้นอย่างเดียวเนี่ยนะความลึกซึ้งของพระธรรมคำสอนก็น่าจะยังไม่เพียงพอนี่ถ้าพื้นฐานในการศึกษาเรื่องจิตตานุปัสสนาค่อนข้างมากเนี่ยนะเราจะจะพิจารณาหนึ่งอารมณ์เลยนะในอารมณ์นั้นเนี่ยนะ ในอารมณ์อารมณ์เดียวเนี่ยจิตมีราคาไหมนะเป็นยังไงเมื่อเมื่อเห็นสีแล้วจิตเป็นราคาเมื่อเห็นสีแล้วจิตเป็นโทสะนะเห็นสีอย่างไรเป็นสุภาพนิมิตเป็นปฏิฆานิมิตเป็นอุเบขานิมิตเป็นนิมิตแห่งทานเป็นนิมิตแห่งศีลเป็นนิมิตแห่งสมถะเป็นนิมิตแห่งวิปัสสนาในสิ่งเดียวนั่นแหละนะเราไม่ย้ายอารมณ์แต่ย้ายความรู้ของเราย้ายความเข้าใจว่างั้นจะ ทีนี้เมื่อเราพิจารณาอย่างในด้านอาชีพเนี่ยนะถามว่าการประกอบอาชีพนั้นถ้าเป็นเป็นอาชีพที่ถูกต้องก็คือการกระทําด้วยมหากุศลใช่ไหมเพราะว่าอาชีพเป็นเรื่องของศีลใช่ไหมกายกรรมวจีกรรมและอาชีพเป็นเรื่องของศีลเมื่อเป็นเรื่องของศีลเนี่ยแล้วสิ่งนั้นๆจะเป็นอารามณปัจจัยของกุศลได้อย่างไรนะเพราะว่าศีลเนี่ยนะต้องมากเหมือนกับแผ่นดินอะ กุศลศีลเนี่ยต้องเกิดบ่อยต้องเกิดมากจริงๆนะเพราะว่าเป็นกุศลธรรมที่เป็นพื้นฐานแห่งกุศลธรรมชั้นสูงถ้าหากว่ากุศลศีลเป็นต้นเราปรารภน้อยนะสมถะน้อยกว่านั้นอีกมีปัสนาเนี่ยจะน้อยกว่านั้นอีกอเว้นไว้แต่ว่าเราเข้าใจเรื่องวิปัสนาที่ไม่ใช่ตามเนืพระไตรปิฎกนะอาจจะไม่ยากนะแต่ถ้านายพระไตรปิฎกจริงๆแล้วเนี่ยนะอภิธรรมปิฎกเนี่ยไปเรียงอยู่สุดท้ายนะเรียงวินยัยปิฎกก่อนนะ เสร็จแล้วก็เรียงพระสุตตันตปิฎกแล้วไปเรียงอภิธรรมปิฎก น, นะถ้าถ้าโดยปิฎกสามเนี่ยนะทำไมไม่เรียงอภิธรรมปิฎกขึ้นมาก่อนแล้วค่อยมาเรียงพระสุตตันตปิฎกแล้วค่อยเรียงมีนายปิฎกไหมแต่ท่านไปเรียงไว้สุดท้ายเลยอย่างในวิสุทธิมรรคเนี่ยนะปัญญานิเทศเนี่ยท่านไปเรียงไว้เล่มสุดท้ายเลยนะแล้วเฉพาะวิปัสสนาท้ายกว่านั้นอีก <c ười> นะ อ, อ็ยังยกตัวอย่างในของฉบับมหามกุฎใช่ไหม วิสุทธิมักมีหกเล่ม น, นะเรื่องวิปั ส, สนาจริงๆเนี่ยไปขยายอยู่เล่มหกนะแต่ว่าก่อนที่จะอ่านเล่มหกรู้เรื่องอ่ะเล่มห้าต้องผ่านแหลนะต้องอ่านเล่มห้ามาเป็นอย่างดีแล้วจึงอ่านเล่มหกไดนะ้ท่านไปเรียงไว้ท้ายสุดเลยของเราเนี่ยพัวเข้าไปท้ายสุดเลยทีนี้ยิ่งศึกษาไปศึกษามากก็เริ่มสมแล้วคันนะี้เดาทั้ ง, ง, ปงเปียข้อมูลเป็นยังไงก็ความเข้าใจก็อ่อนน้อยเต็มที ทีนี้มันก็ได้พยัญชนะแล้วไงอยู่บนพื้นฐานแห่งพยัญชนะแล้วก็ก็ถกกันไปคุยกันไปแต่ว่าโดยอัถฐการสงเคราะมาในชีวิตเนี่ยอ่อนเต็มทีที่อ่อนมากเพราะว่ากุศลธรรมเราอ่อนเกินไปที่จะเอาเรื่องนี้มาตรึกเป็นการเป็นงานได้นะเอาเรื่องขันเป็นต้นเนี่ยมันนั่งตรึกคิดแต่เรื่องขันอย่างเดียวเนี่ยเป็นวันๆเนี่ยคิดได้ยังไง แของเราให้ให้อธิบายเรื่องขันอ้าวันนี้พูดเรื่องขันนะสิบนาทีนี้ก็ชักไม่มีอะไรพูดแล้วนะใช่ไหมสิบนาทีเนี่ยหมดภูมนะิแล้วหมดหมดทุกอย่างแล้วนะทุกที่สุดเลยเหมือนกันนะแล้วเอาเรื่องศีลเนี่ยนะให้ไปตาละคาถาเรื่องศีลเนี่ยศีลเนี่ยดียังไงอย่างเงี้ยนะพูดยากเหมือนกันนะเพราะว่าการศึกษาเป็นต้นเราไม่ไม่เป็นไปตามลําดับมากนะักเมื่อไม่เป็นไปตามลําดับความเข้าใจเราก็อ่อนเมื่ออ่อนเนี่ยนะ เราก็เจริญกุศลธรรมได้ในขอบเขตที่จํากัดมากสา ม, มารถที่จะเจริญกุศลธรรมได้ขอบเขตจํากัดวันนี้ถามผู้การว่าถามว่าในโลกนี่นะลองหาสักสิ่งหนึ่งซิที่ไม่เป็นอารมณะปัจจัยของการประกอบอาชีพนะหาเจอไหมนั่นะคิดถึงแม่ฝุ่นมันก็มีเครื่องดูดฝุ่นน ะ, ะก็มีอาชีพที่ประลับดูดฝุ่นฝุ่นเล็กที่สุดนะมดนะ ก็มีคนกําจัดหมดเจะนั่งมีที่ใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับอาชีพบ้างนั่นแหละสินกว้างเท่านั้นแหละนั่นแหละนั่นคืออาชีวประลิสุทธิ์ศินเพราะมันเกี่ยวข้องกับทุกๆเรื่องนั้นแหละนะเพราะอาศัยสิ่งนั้นบุคคลอาศัยสิ่งนั้นประกอบอาชีพด้วยอะแล้วอาชีพนั้นๆเป็นไปกับกายสุจริตฐิวจีสุจริฏฐิไหมนะล่วงมาเป็นกายกรรมอย่างไรเมื่อต้องไปเกี่ยวข้องกับอาชีพนั้นเกี่ยวข้องกับวจีกรรมอย่างไร ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพนั้นๆเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้านั้นในเรื่องสีเป็นต้นเนี่ยกว้างขวางเหลือเกินนะเรื่องสีเนี่ยแม้แต่อารมณะปัจจัยของอาชีวะใช่ไหมแล้วในสิ่งเดียวเนี่ยนะในสีสีเดียวเนี่ยฝุ่นเป็นอารมณะปัจจัยของกายกรรมไหมนะมีสีเป็นอารมณ์แล้วล่วงมาทางกายมีสีเป็นอารมณ์แล้วล่วงมาทางวาจามีสีเป็นอารมณ์แล้วล่วงมาทาง ทางใจการพิจารณาเพื่อที่จะไม่ให้โทษล่วงละเมิดออกมาเนี่ยนะรู้รู้โทษและไม่ใช่โทษในการตาราบสิ่งนั้นนั่นเป็นกุศลศีลทั้งหมดเลยยกตัวอย่างแม้การเรียนเรื่องเมตตาอุบายะระงับความโกรธที่เรากล่าวถึงทั้งหมดเหล่านี้ก็คือเรื่องศีลอยังไม่ได้เข้าสมถะเลยเพราะถ้าเป็นสมถะนั้นต้องเป็นกุศลจิตที่สืบเนื่องกันยาว แต่ถ้าลักษณะมาต้องมีเหตุมีผลลักษณะนี้ดีไม่ดีช่างน้ำหนักแบบนี้เป็นเรื่องของศีลทั้งหมดเลยนะในอารัมมณะปัจจัยสิ่งเดียวนั่นแหละเพราะฉะนั้นในสิ่งเดียวเนี่ยนะฝุ่นอย่างเดียวเป็นอารัมมณะปัจจัยของกุศลได้ตั้งเยอะแยะไปหมดนะแล้วก็เป็นอารัมมณะปัจจัยของอกุศลตั้งมากมายมหาศาลสามารถล่วงกรรมบทได้และให้ผลนาเกิดได้ในสิ่งนั้นเนี่ย ที่ที่เอามาปารัอย่างนี้เนี่ยก็ทําให้นึกถึงพระ ส, สูตรที่เราฟังกันจนชินหูที่สุดเลยก็คือเกี่ยวกับเรื่องอายตนะนะ เ, เราลองไล่ให้ให้สุด้ายเลยยกตัวอย่างนะอาศายตากับสีเกิดจากโควิญญาณความประชุมของธรรมะสามอย่างเป็นภาษะเพราะภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตันหาตันหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีพบ พบตัวนี้คือกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมนั่นเองอกรรมอันนี้เนี่ยชักปฏิสนธิได้หมดเลยเพราะฉะนั้นอารามณะปัจจัยใดบ้างที่ไม่เป็นปัจจัยแห่งการนําปฏิสนธิมีไหมเมื่อเกี่ยวข้องอย่างนี้เข้าเนี่ยน ะ, ะในชั้นแรกเลยเนี่ยก็ต้องให้รู้ว่าอะไรมีโทษไม่มีโทษก่อนใช่ไหมเมื่อเกี่ยวข้องในอารามณะปัจจัยอารามณปัจจัยเดียวเนี่ยอะไรมีโทษไม่มีโทษนะ อย่าเมื่อเกี่ยวข้องกับสมมุติว่าแม้แต่น้ําอย่างนี้ใช่ไหมก็มีคนประกอบอาชีพเกี่ยวกับเรื่องน้ําแบบนี้ขึ้นมาในอาชีพนี้บางคนเนี่ยนะถึงกับล่วงกายกรรมที่เป็นบาปล่วงวจีกรรมที่เป็นบาปล่วงมโนกรรมที่เป็นบาปในการเกี่ยวข้องกับ น, น้ําสิ่งเดียวเนี่ยนะถามว่าเมื่อเรารู้เรื่องบุญเรื่องบาปโดยที่สีเป็นอา ร, รมณปัจจัยของบุญของบาปแล้วเรามีความรู้สึกอย่างไรตรงนั้นแหละว่าจะดูว่าเรามีสีลขนาดไหน ถ้าฮิรโอตะปาเกิดมากแสดงว่าศีลเราดีนะเมื่อเมื่อปารีกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยให้ล่วงกรรมบทได้และเป็นปัจจัยให้ทํากุศลกรรมบทได้ฮิรโอตะปาเป็นเหตุใกล้ให้เกิดศีลศีลบางอย่างก็อาศัยศรัทธาเรามีศรัทธาในกุศลที่จะประพฤติขึ้นไหมใช่ไหมถ้าเรามีศรัทธาเป็นต้นอ่อนกุศลศีลเราก็อ่อนถ้ากุศลศีลเราอ่อนเนี่ยนะ ถามว่าการแทงตลอดอรรยศัต์เนี่ยแทงตลอดที่ไหนใช่หมก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นทุกขาริยศัตด์ได้อย่างไรถ้ากุศลธรรมเราไม่เน่นเพียงพอนะอย่างไรก็มองไม่เห็นทุกเป็นของหยาบแต่ก็ก็มองไม่เห็นหรอกอ น, นะเขบอกว่าขนตาเนี่ยนะเป็นสิ่งที่เรามองเห็นน้อยที่สุดเลยนะถ้าไม่ส่องกระจกเนี่ยนะแทบไม่เคยคิดเลยว่ามีขนตาเนี่ยนะ เป็นลักษณะนั้นนจริงๆถ้ากุศลศีลเป็นต้นเราไม่ค่อยเกิดบ่อยๆโจนชำนิชำนาญเรื่องกรรมเราก็อ่อนเมื่อเรื่องกรรมเราอ่อนเนี่ยนะอริยสัตว์จะอ่อนทันทีเลยทุกขกสมุทัยนะเรื่องกรรมก็คื อ, อผลของกรรมทุกขับสัต์สายกรรมเป็นต้นคือสายสมุทัยสัตว์นะอย่างไรก็ต้องไปที่สัจจะสองนี้ก็นะจนคิดว่าเอ๊ะที่พ้นจากสัจจะสองเนี่ยมีไหมนั่นแหละจึงจะค่อยปลารบถึง นิโรธศักด์แล้วข้อปฏิบัติอะไรอะ่ะที่จะทำให้แจ้งนิโรธนะค่อยๆมาปารบถึงมกษั ต, ร, ต ร, ริยศัสตร์ก็ยังเป็นไปตามลำดับแบบนั้นนั้นเราจะไม่รู้เลยเ อ, อ, อรรยศัสตร์อยู่ที่ไหนเนะนะพูดเหมือนคนฝันเลยเออผมมองเรื่องการที่เราเโยนิสโสมนิการจิตให้เป็นกุจในขั้นศีลจนหนานแน่นนี่นะครับจนถ่าย หรือว่าในขั้นจิตเนี่ยนะครับจนนั้นเนี่ยผมมองในแง่ลักษณะที่จิตขนาดนั้นเนี่ยมันควรแก่การงานแต่ก่อนนี้นะผมได้ยินคำนี้แล้วผมไม่รู้เรื่องเลยมันควรแก่การงานไปทำงานอะไรทำการงานอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องครับ<ช>นะกายอะไรนกักกรรมบร ญ, ญาต า, ตาอะไรเนี่ยไม่รู้เรื่องครับพี่มันทำงานอะไรนะกายจิตทั้งจิตทั้งจิตเนี่ยมันไปทางานอะไรไแต่ถ้าที่จริงแล <Student S 2> ้วเป็นอย่างนั้นจริงจิ ลองยกตัวเหมือนเมื่อคืนเนี่ยนะเราฟังพระ ส, สูตรเมื่อคืนเนี่ยนะพระพุทธเจ้าพูดถึงเรื่องความเป็นไปของสังสารวัตรทั้งนั้นเลย น, น ะ, ะพันคน ท, ที่ตรึกตามที่พระองค์ทรงสแสดงเ่ยนะเหมือนกับมีคนชี้ให้เราดูสักอย่างหนึ่งใช่ไหมเราก็ต้องต้องดูไปตามเนี่ยเราก็จะเห็นกว้างขวางมากมายเนี่ยถามดูว่าพระพุทธเจ้านะอะไรมั่งอา ร, มนะรามมณฑปจัยใดที่พระองค์ไม่เคยตรึกไม่มี นะที่อารมณ์ที่พระองค์ไม่เคยพิจารณาไม่มีถามว่าการพิจารณาด้วยจิตชนิดใดด้วยมหากิริยาญาณสัมปยุตอันพระองค์เนี่ยพิจารณาหมดแล้วไม่มีอารมณ์ใดที่พระองค์ไม่เคยพิจารณาไม่มีแต่ของเรานั้น น, นะแค่เสีขาสามเนี่ยนะซึ่งเป็นสําเพลอลำน้อยๆเนี่ยเพื่อที่จะขนตัวเองให้ออกเนี่ยนะยังไม่รู้ว่าใช้น้ํามันยี่ห้ออะไรบ้างนี่น้ำหมดน้ํามันกล า, างทางทําไง นะเรือลำน้อยของเราเนี่ยที่จะเอาให้ยกตนให้พ้นจากสังสารทูปอนนันถ้าเราปรารบเรื่องศีลอ่อนเรื่องกรรมเราก็จะอ่อนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะถ้าศีลไม่ค่อยดีก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าชีวิตจะเป็นไปอย่างไรก็ชัดเอถ้าศีลไม่ค่อยดีนะปรารบเรื่องกรรมจะอ่อนคือไม่แน่ใจอะ่ะเหมือนพูดเรื่องพบหน้าเหมือนกับเป็นเรื่องที่หน้าหวาดเสียวมากเหมือนกันจะ พ, พยายามกลบเกลื่อนเรื่องที่จะคุยเรื่องนี้นะไปคุยเรื่องอื่น นะตัญหาเป็นเครื่องฉาบทารูปไลไว้อีกนะเป็นเรื่องกรรมเรื่องคุณงามความดีเรื่องกุศลก็ไม่ค่อยกล้าคุยแหละที่จริงสิ่งเหล่านี้ที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยนะของธรรมมาเชื่ออยู่อย่างเดียวเพราะเขาไม่ได้ฟังคําสอนถ้าเขาฟังคําสอนเข้าใจเนี่ยนะถ้าฉลาดเท่าภาษารีบุตรนะอย่างไรคนต้องปฏิบัตินะถ้าฉลาดเท่าพระโมคคัลลานนะถ้าฉลาดเท่ากับพระอนนทะ์ยังไงอย่างไรต้องเจริญกุศลอย่างแน่นอน แต่เขาอาจจะเดินเฉียดเฉียดนะเฉียดเฉียดคำสอนบ้างก่อนนึกว่ารู้ไปตั้งเยอะแล้วใจก็เป็นบาปเท่าเดิมเนี่ยแสดงว่าตัวธรรมะคาสอนนั้นยังไม่ได้เข้าถึงใจอะไรเลยแค่ผ่านหูไปเฉยๆยอย่างคำว่าสติเนี่ยนะสติคืออะไรอย่างเงี้ย อ, อย่างเราศึกษาพระธรรมมาตั้งเยอะแล้วคุยเรื่องสติบ่อยด้วยสติคืออะไรนะตอบให้เป็นไ ป, นปนตามแนวคำสอนนะไม่ใช่สติแบบของเราเนะ สติของเราเนี่ยนะ <c oughs> เคยครั้งหนึ่งเอ๊เขาบอกว่าเมาแล้วไม่ไม่มีสติเขาว่าไงเราก็ลองบ้างก็เดินหัวทิมแล้วก็ยังรู้ตัวเอ๊รู้แบบนั้นรู้ด้วยโมหะรู้แบบนั้นไม่ใช่สติอั น, น, นสติของเราเป็นยังไงสติในคําสอนนะสติที่เป็นสัมมาสติเนี่ยนะได้ไหมอสตินะความไม่ประมาตเป็นเครื่องกั้นอกุศลอย่างเงี้ก็ได้อันนัน สํานวนทั่วไปแต่ถ้าเราพิจารณาถึงลัคนาที่จตุกะตามอัฏฐานลินีหรือตามมิลินทปัญหาเนี่ยนะสติเนี่ยนะเหมือนขุนคลังอ่ะนะต้องไม่ลืมนะขุนคลังเนะี่ยเขาสามารถอะไรเป็นทรัพย์อะ่ะคอยกระตุ้นเตือนพระราชาว่านี้พระองค์มีรัพย์เท่านี้นะ เ, เรามองเห็นเรามีทรับอะไรบ้างอะนนะไม่ไม่ใช่ซัพย์ที่เป็นวัตถุนะขอชีออช้ว่านี้มีซัพย์อะไรบ้างนี้ทรัพย์คือสติปทานสิเอเราเห็นยังไงเป็นสติปทาน เป็นยังไงเป็นสมมติประธานเป็นอิธิบาทเป็นอินทรีย์เป็นพระเป็นโพชองเป็นอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดเป็นยังไงใช่ไหมอันนี้กิจของสติอย่างหนึ่งนะหรือกิจของสติอีกอย่างหนึ่งนี่ก็คือเหมือนกับปรินายกแก้วอ่ะเขาวินิจฉัยเลยว่าคนนี้มีประโยชน์ต่อพระราชาคนนี้ไม่มีประโยชน์ต่อพระราชาถ้าใส่ใจแบบนี้ไม่เป็นประโยชน์ต่อกุศลจิตถ้าคิดแบบนี้เป็นประโยชน์ต่อกุศลจิตอันนี้เป็นกิจของ หันสติเนี่ยเป็นเหมือนกับนายทวาร น, นะดูแลใครมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ควรให้เข้าไม่ควรให้เข้าเป็นต้นนั่นคือกิจของสตินะสาสตินี้เกิดร่วมกับสัมปชัญญะหรือปัญญาถ้าปัญญาเนี่ยนะพื้นฐานปัญญาทีน้อยที่สุดคือกรร ม, มสกตาปัญญานะเรามองเห็นอะไรเป็นกรรมและผลของกรรมตรุษน้อยเท่าไหร่เรารู้เรื่องปัญญาน้อยเท่านั้นนะพิจารณาเรื่องกรรมและผลของกรรมอ่อนเท่าไหร่ กรรมสกตาปัญญาเนี่ยปัญญาชั้นต้นเราก็อ่อนขนาดนั้นแหละยังยกตัวอย่างอ่ะอย่างวันนี้เนี่ยเราเราพิจารณาเรื่องกรรมหรือตึกเรื่องกรรมกี่ครั้งแล้วอะไรเป็นผลของกรรมอ่ะเมื่อเราเข้าไปเกี่ยวข้องของแต่ละสิ่งแต่ละสิ่งแต่ละสิ่ ง, งเวลาขึ้นไปบนรถนั่งรถเพิ่เนี่ยอะไรเป็นผลของกรรมกันแน่ใช่ไหมมองเห็นตัวรถนะเป็นผลของกรรมบางทีนะเพราะคนสนทนาเรื่องกรรมในตอนหลังนั้นอ่ะ ไม่เอาวิบากและกรรมชรูปมาเป็นตัวตั้งแล้วก็คุยเรื่องกรรมนะเอาอุตุชรูปเอาจิตตะชรูปที่ไหนมารู้มาตั้งแล้วก็สนทนาเรื่องกรรมก็ไม่ค่อยตรงกับความเป็นจริงเมื่อไม่ตรงกับความเป็นจริงเนี่ยนะสัมมาทิถฐิชั้นต้นอ่อนและกรรมสกตาอ่อนอสัมมาทิฐิมีเท่าไหรนะ่เนยสัมมาทิฏฐิมีเท่าไหร่มีห้านะหนึ mm ่ง hmm. กรรมสกตาสัมมาทิฏฐิสอง สฌานสมาธิธ ส, สี่วิปั ส, สนาสมาธิธสี่มรสมาธิฐิผลสมาธิฐนะบางท่านบอกว่ามีปัจเจกขณะสมาธิธิด้วยนะชั้นต้นเลยเนี่ยฌานสมาธิธิได้ฌานไหมเข้าฌานอยู่หรือเปล่าขนาดนั้นไม่ใช่วิปัสนานียวิปัสนาเขาก็วิปัสนาเนี่ ย, ป เ, ป เ, ยเป็นชื่อของปัญญาปัญญาจะเกิดขึ้นต้องมีภูมิของเขาภูมิของเขาคืออะไร ขันธาตุอายตนะสัจจะอินทรีย์ปฏิจจสมุปบาทอาหารเป็นต้นอ่ะคือภูมิของวิปัสสนาของเขาอ่ะถามว่าวิปัสสนาเหล่านั้นที่สุดเพื่ออะไรเพื่อแทงตลอดอริยสัจนะเขาจะมีตามลาดับของเขาถ้าอ่อนกว่าเรื่องนั้นแล้วลงมาก็คือกรรมสกตานะ <c oughs> ถ้ากรรมสกตาอ่อนที่สุดเลยก็ก็ลําบากแล้วะนะะกร ร, รมมัสกาข้อที่สิบคืออะไรก็คือแตถาคตโพ ธ, ธิสัตย์ นะก็คือกรรมมสกตาที่เป็นไายกับตถาคตโพธิสัตวานั่นเองที่เราศึกษาพระธรรมมาใช่ในขณะที่เห็นอะไรเป็นกรรมและผลของกรรมเราตรึกเรื่องนี้อ่อนขนาดไหนใช่หถ้าพิจารณาเรื่องนี้อ่อนสัมมาสังกัปปะเป็นต้นนี่เราก็จะอ่อนด้วยนะถ้าสัมมาทิฏฐิเราอ่อนสัมมาสังกัปปะเราก็อ่อนเราจะกล้าคิดเป็นบาปทันทีเลยนะโดยที่ไม่เกรงกลัวต่อ อกุศลอะไรเลยการ ม, มาวิตกก็เกิดขึ้นพยาบาทวิตกก็เกิดขึ้นวิหิงสาวิตตกก็เกิดขึ้นเราไม่รังเกียจอกุศลวิตตกอันนั้นเลยเพราะสัมมาทิฏฐิเราอ่อนเราไม่คิดว่าเอ๊ะกรรมที่คิดเนี่ยมันของเราแท้ๆเลยนะกาลังคิดอยู่เนี่ยเป็นบุญหรือเป็นบาปคนก็จะปล่อยความคิดละที่คิดเป็นบาปไปสักสองามชั่วโมงเนี่ยเออไม่เป็นไรเราไม่ใช่เป็นพระยังก็ว่าไม่ใช่เป็นพระและไม่บาปอย่างนั้นแหละ นันก็บาปทุกคนนั่นแหละพระคิดพระประบาปนั่นแหะอกุศลน่ะฟัน้ในใครคิดก็เป็นอกุศลมีโทษไหมอกุศลมีโทษให้ผลเป็นความทุกข์นะฟันเมื่อเห็นว่าเออนี่กรรมอันนี้แล้วกรรมอันนี้จะให้ผลให้ผลอย่างไรนะถ้าถ้าคำว่าอันนี้เป็นกรรมนะถ้าคิดเรื่องนี้อ่อนอ่อนเท่าไหร่กรรมสิบสองจะไม่มาเลยนะถ้าคิดเออนี่ที่เรากำลังเห็นเนี่ยเราคิดอะไรนี่นี่เป็นกรรมนะ ถ้าไม่คิดอย่างงี้ปุ๊บเนี่ยนะทิฏฐธรรมจะไม่ค่อยคิดละจะไม่ต่อไปหาทิฏฐธรมมเวทนิยกรรมเออชวนะดวงที่หนึ่งทิฏฐธรรมนะดวงที่เจ็ดอุปชาณ์นะสองถึงหกอปราปริยะถ้าไม่คิดโดยความคิดที่เรากําลังคิดอยู่นี่เป็นกรรมเราจะปราลบเรื่องไอ้ทิฏฐธรรมเป็นต้นก็อ่อนแต่ถ้าปราลบเรื่องนั้นอ่อนนะเอ้นี่มันเป็นครุกรรมเป็นอจินนกรรมเป็นอสัญกรรมหรือเป็นกตตาวาปนกรรมก็จะอ่อนละอ่อนไปตามนั้นอีก เมื่อกำเหล่านี้อ่อน อ, อะไรจะไปทาชนะ ก, กรมใช่ไหมอะไรจะเป็นเป็นตัวที่เป็นกำที่นาเกิดอะไรเป็นกรรมที่ไปอุปถัมอะไรเป็นกรรมที่เข้าไปเบียดเบียนอะไรเป็นกรรมที่เข้าไปตัดรอนเราก็จะคิดเรื่องนั้นอ่อน อ, อกีกถ้าคิดอ่อนไป อ, อีกแล้ววิปัสนาสัมมาทิฏฐิก็อ่อนไปกันนั้นอีกเพราะวิปัสนาคืออะไรวิปัสนานั้นคือธรรมะที่เป็นไปในส่วนแห่งการชำระกิเลส เป็นไปเพื่อที่จะเบื่อหน่ายในเรื่องวัตถทุกขเหล่านี้นะเขาจึงเจริญวิปัสสนาเพื่อออกจากกองทุกขเหล่านี้นะเมื่อเห็นความเป็นไปแห่งกรรมและผลของกรรมอย่างตลอดสายแล้ว <Meat. S 1> เขาจึงเจริญวิปัสสนาพวกนี้เพื่อเพื่อการออกจากวัตทุท่านนะในวิปัสสนาในคัมภีร์ท่านเป็นลักษณะ น, นั้นนะเมื่อรู้เรื่องกรรมและผลของกรรมดีแล้วเนี่ยนะทีนี้ก็จะมาใคล์ครวนนะว่าเออตาที่เป็นผลของกรรมเที่ยงหรือไม่เที่ยง นะว่าตันอาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยให้เกิดตันหาตันหาจะละละที่ไหนก็ละที่นี่แหละก็มีการเท่งเรื่องนี้เป็นเป็นชีวิตปกติเลยเพื่อที่จะสลับให้พ้นจากสิ่งเหล่านี้นั่นเองนะเพราะว่าพระริยเจ้าทั้งหลายถ้าเป็นเหมือนกับพระษารี่บุตรนะภาษารีบุตนะ ร, รนี้ท่านอึดอัดระอิดระอาในกายของท่านนะแต่ก็จะประคับประคองเลี้ยงดูนะแต่ไม่ยินดีเลยนะเหมือนกับ อยู่กับรากศทราบสุนัทรากอะไรเยท่านก็ไม่ยินดีในกายท่านแต่พระอรหันต์ไม่ฆ่าตัวตายนท่านก็ประคับประคองไปนะถามว่าคนที่ดูแลแผลสดเนี่ยนะเขายินดีไหมไม่ยินดีถามว่าชอบไหมไม่ชอบแล้วทําไมต้องดูแลมันก็เป็นไปตามปัจจัยของเขาแบบนั้นแหละพระอรหันตะ์าาที่บริหารกายก็เหมือนกับบริหารแผลสดไปแหละเป็นไปท่านก็ไม่ได้รู้สึกยินดีอะไรนะก็พร้อมที่จะดับขันป ร, ริณิพานเมื่อไหร่ก็ได้ นะแต่ถ้าอาหารจะไม่ฆ่าตัวตายเพราะเป็นผู้ที่รู้เรื่องกรรมและผลของกรรมรู้เหตุรู้ปัจจัยเป็นเป็นอย่างดีแล้วอั้นท่านเหล่านั้นจึงพ้นจากวัตทุกข์ได้แต่ทีนี้ถ้าเรามองแบบชั้นสูงลงมาในชั้นต่ำเนี่ยของเราเนี่ยมองยังไงจึงจะไปเข้าถึงตําแหน่งเหล่านั้นเป็นต้นการตรัสรู้ธรรมะเหล่านั้นเพราะท่านอย่าลืมนะเราจะไปที่ไหนเนี่ยสักแห่งหนึ่งเรายังนึกเป้าหมายออกนะ เรายังนึกเป้าหมายออกเลยว่าจะไปที่ไหนถึงที่นั้นๆเมื่อไหร่ถึงอย่างไรเนี่ยเราก็พอนึกออกคร่าวๆการศึกษาพระธรรมเป็นต้ น, เ, นเราก็ต้องพอนึกออกอย่างน้อยที่สุดสุตตะต้องได้งนั้นการตรัสรู้อริยสัจมีสองยาณนะด้วยกันเคยได้ยินไหมสองยานคืออะไรหนึ่งอนุโพธยานกับปฏิเวทยานนะอนุโมอนุโพธยานก็คือยานที่เกิดจากการฟังเป็นต้น ในเรื่องของอริยสัจเป็นอย่างดีสุดท้ายก็ปฏิเวทญาณญาณที่แทงตลอดอริยสัจนะแล้วอนุโพธยญาณเนี่ยนะก็ตั้งแต่การฟังทรงจำการไตส่สวนเนี่ยนะตามลำดับที่ที่อ่านไปตั้งแต่ต้นนั่นแหล ะ, ะก็จะเป็นไปตามลำดับเหล่านี้ถ้าไม่เป็นไปตามลำดับเหล่านั้นอ่ะเรายังไม่รู้เลยจะไปไหนเลยเนาะ เรื่องกรรมหน้านามาตรกไม่ทราบว่าอยู่ในส่วนไหนของพุทธคุณกรรมนี่นะกรรมก็คือเรื่องของปฏิจจสมุปบาทนั่นเองอ๋อก็อยู่ในวิปัสสนาภูมินในสัมมาสัมพุทโธเจนพออันเรื่องกรรมโดยละเอียดก็คือปัจจะปริหายานปัจจะปริหายานก็คือปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละกรรมมาวัดวิปากวัดและกิเลสวัดนะวัตตาสามเมื่อรู้ความเป็นไปของวัตตาสามดีแล้วเนี่ยนะ จึงจะพิจารณากรรมวัดวิปากวตดโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกเปรียณาตตาอันตรรณะปริญญาเนี่ยมันคข้ครวญขึ้นนะให้เป็นเองนี่ไม่เป็นนะพระองค์จึงชักนาตลอดเลยใช่ไหมถ้าเราเราสังเกตในพระสูตรนะด้วยความที่สูจนทั้งหลายจากสูตเที่ยงหรือไม่เที่ยงเนี่ยกล่าวนําตลอดพุทธเจ้ากล่าวนําตลอดไม่ใช่ให้คอยให้เกิดเองนะยูยูโอ้โหติ้งไม่เที่ยงอย่างเงี้ยแก้วแตกเท่านั้นแหละติ้งแตกตั้งเลยอย่างนั้นน่ะใช่ไหมหรือไม่ยู ย, ยูเนี่ย ตาแตกแล้วไม่เที่ยงอย่างนี้นคิดอย่างนี้หรือเปล่าไม่คิดแล้วเสียใจแล้วแต่ว่าพระ อ, องค์จะกล่าวนําชี้นําก่อนดูก่อนพิสูจนทั้งหลายจากสซเที่ยงหรือไม่เที่ยงโรคเที่ยงหรือไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์พระ อ, องค์จะชี้นําตลอดเพื่อให้ได้ใคร่ครวญแบบนี้มากๆะนะเพราะฉะนั้นตีรณปริญญานี้เป็นญาณที่เกิดขึ้นจากการไข่ครวญสัมมสนาก็คือการพิจารณาหรือการไข่ครวญแต่การพิจารณาเรื่องความไม่เที่ยงเป็นต้นนั้นกรรมสกตามั่นคงแล้ว ไม่งั้นอะไรไม่เที่ยงไปหมดแบบไม่รับผิดชอบสักอย่างนะกลายเป็นอุดเฉทที่ถี่เลยนะยกตัวอย่างเออทําแก้วสองแตกเป้นด้วยความประมาทไม่เที่ยงไม่เที่ยงอย่างนี้ต้องใช้คืนนะนะหรือไม่ปล่อยไฟไหมกุติอย่างเงี้ยฮะไหมกุติหมดทั้งหลังเลยเออมันไม่เที่ยงไม่เที่ยงแบบนั้นต้องสร้างใช้สงฐานะเพอเรยออันนี้น่านำมาตึกครับก็ เพราะว่าเป็นเรื่องสําคัญเลยเรื่องคเนี่ยนะอ <c oughs> แต่ก่อนนี้นะมันก็วกกับมาในเรื่องสตินะแต่ก่อนนี้ผมเราเข้าใจคําว่าสติคือการระลึกได้แล้วผมก็สงสัยมานานนะคือการระลึกได้จะต้องพูดมีข้อแม้ต่อไปนะเป็นการระลึกถึงเรื่องกุศลทั้งสิน้นใช่ไหมเพราะว่าเราก็ทราบอยู่แล้วว่ามันเป็นโสพนธรรมใช่ไหม <c oughs> ผมก็มันนึกว่าเอ๊ผ้าหากว่านึกไปในเรื่องอกุศลมันก็นึกถึงนาดเหมือนกันนะ เออเดี๋ยวเราจะต้องไปพานอาหารสมมุนนะเออเดี๋ยวเราไปเล่นไพ่สมสมุิเอ๊อการนึกขึ้นมาได้อย่างนั้นกับการนึกขึ้นมาว่าเออเราจะต้องศึกษาธรรมะอะไรเงี้ยนึกขึ้นมาอีกฝ่าหนึ่งเป็นคุศสอนอีกฝ่าเป็นนกุรูสอนเนี่ยลักษณะการนึกไม่ได้แตกต่างกันเลยคล้ายกันนะคล้ายกันมากเลยแคย่แค่นึกขึ้นมาใช่ไหมครชครับถ้า<อ>หากว่าเราเราไม่ไม่ศึกษาลงไปในรายละเอียดของของสตินี่นะ เช่นในมิลินตาปัญหานี่มาชัดเจนดีจังเลยนะใครมีมิลินปัญหาก็ไปอ่านดูนะหน้าต้ น, ต น, ตนๆนะในเรื่องที่อธิบายเรื่องสติไว้นี่นะฮะอาจารย์พานเขาบอกว่าสติเนี่ยนะมันเหมือนผู้ชี้ชี้ขุมทรัพย์แล้วก็ผู้บริหารผู้หาขุมทรัพย์ผู้จ่ายขุมทรัพย์ผู้อ อ, อะไรทั้งหลายเนี่ยเป็นเรื่องของปัญญาพอชี้แล้วก็สัม ป, ปัญญาเป็นฝ่ายเข้าไปชนะเข้าไปแสวงหาเข้าไปเก็บ เขาไปตักตวงผลประโยชน์ใช่ไหมครับอรเออตรงนี้ถ้าอย่างนี้นะทําให้เข้าใจสติมากขึ้นสติมีอะไรเป็นแหตุใกล้สติมีสัญญาที่มั่นค<อ>ง <จำ S 1> เป็นได้เกอกเพรา ะ, ะนั้นยกตัวอย่างนะท่านนรนิเอดทะทักขะด้านมีสติเพราะท่านท่านนรนยจําคําสอนได้มากนะคนที่จําคําสอนได้มากนะก็คือนึกถึงคําสอนได้รู้อะไรเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์นั่นแหละ นั้นสัญญาที่มั่นคงความจำได้มากเท่าไหร่สติเกิดบ่อยเท่านั้นคือถ้าธรรมะที่ถูกต้องแล้วจะสอดคล้องกันหมดหมนะแต่ก่อนผมก็สงสัยนะยครูไม่ให้จำแต่ว่าทำไมเหตุการณ์สติคือต้องจำแล้วถามว่าจำอะไรใ ช, ใช่ไหมแต่ก่อนนี้ใช่ไมจำอะไรถ้าสติเนี่ยนะสติเป็นกุศลใช่ไหมแล้วอารมณ์ของสติสติรู้ได้กี่อย่าง สติรู้มเลยสตินี่รู้ทั้งบัญญัติรู้ทั้งปรมาทรู้ทั้งเป็นนะตัวสติเป็นกุศลแต่อารมณ์ของสติเป็นอกุศลก็ได้นะอารมณ์ของสติน่าเกลียดขนาดไหนสติก็ระลึกสติก็พิจารณาแต่สติเกิดขึ้นเนี่ยพิจารณาถึงว่านะถ้าเป็นกุศลเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นในสิ่งนี้อายกตัวอย่างเช่นคนมีสติระดับธรรมดาก็คือเมื่อพูดพูดแบบมีสติพูดอย่างไร พูดยังไงที่จะไม่ร่วงกรรมบุตตั้งใจพูดยังไงที่จะไม่ร่วงอกุศลกรรมบทในขณะเดียวกันก็ใช้กรรมใช้วาจีเนี่ยนะใช้วาจาไปตามกุศลและกรรมบุตคนที่มีแบบนี้เรียกว่าเป็นสติที่เป็นไปกับศีลในการใช้วาจาอ น, น, นสติที่เป็นไปกับสาธกะสัมปชัญญะในขณะที่นะในสัมปชัญญะบพาพะนะขณะที่จะไปจะมาใช่ไหมจะแรจะเหลียวคูเข้าเหยียดออก นะการทรงผ้าต่างๆเนี่ยนะการนุ่งห่มใช้สอยผ้าและต่อไปกการกินดื่มเคี่ยวลิ้มแล้วก็การเข้าห้องน้ำเนะแล้วก็สุดท้ายก็คือการยืนเดินนั่งนอนคู้เข่าเหยียดออกเนี่ยอยืนเดินนั่งนอนตื่นหลับนิ่งพูดคิดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพวกนี้ได้รับสัมปชัญญะสีเนี่ยนะเข้าไปตรวจสอบหมดเลย นะเพราะในหนึ่งจะไปยังไงด้วยสัมปชัญญะสีเนี่ยนะเพราะพวกนี้จะต้องมีความเข้าใจในเรื่องนี้เป็นอย่างดีอันสติมีสัญญาอันมั่นคงเป็นเหตุใกล้ถามว่าสัญญาเหล่านั้นเกิดจากไหนสัญญาในที่นี้ก็คือการทรงจำพระธรรมการทรงจำก็คือเกิดจากการไต่าถามการเรียนรู้มาเป็นอย่างอย่างดีแล้วนะพัาะผู้ศาสนาจึงเกิดจากการการฟังนะแต่นี้ไม่ต้องฟังก็ได้อ่านก็ได้ขอให้อ่านเถอะ ฉะนั้นถ้าหากว่าเป็นสติผู้ที่ไม่ได้สดับนี่นะผู้ที่ไม่ได้ศึกษานะฮะก็เป็นสติที่ต้องเกิดยากมากจริงๆนนะครับเพราะฉะนั้นเขาจึงใช้คําว่าปุตุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับไม่เห็นพระอริยะไม่ได้รับการแนะนําในพระอริยะไม่ได้รับการฝึกในธรรมะของพระอริยะเป็นต้นก็จะเห็นรูปโดยความเป็นตนน่นะนะสกายะทิถิก็จะเป็นพื้นฐานและเมื่อสกายะทิถิเป็นพื้นฐานเนี่ยก็อย่างอื่นก็ตามมาเป็นพรวนหมดนะนะน่นนะเพราะฉะนั้น เมื่อเขาเป็นสกายทิฏฐิเกิดขึ้นก็จะต่อด้วยอุดเฉททิฏฐิเ อ, อ๊ะบุญบาปไม่มีแล้วทำไปเถอะนั่นแหละเขาก็ไม่สนใจในเรื่องบุญเรื่องบาปเป็นต้นเนี่ยนะสายมิดฉามมักก็จะเป็นไปแล้ะดังการฟังเนี่ยนะจึงเป็นปัจจัยที่ที่สําคัญมากเลยนะเหมือนกับนิมิตนะแสงเงินแสงทองเนี่ยนะเป็นนิมิตแห่งดวงอาทิตย์ขึ้นการฟังเป็นต้นก็เป็นนิมิตแห่ง สัมมาทิฏฐิอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นการยานามิตรเนี่ยนะเป็นเหตุให้ได้รับการฟังฉั้นการยานามิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์ในพระพุทธศาสนานี้นะเว้นไว้แต่ว่าคนชาติสุดท้ายเลยนะมีบุญที่จะเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าถ้าอย่างนี้ก็ไม่ต้องนะแต่ภาษารีบุตรก็ยังอาศัยการยานามิตรฉลาดขนาดนั้นก็ต้องอาศัยการยานามิตรคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเอง แต่คําว่าการยาณมิตรในที่นี้เนี่ยนะให้นึกถึงพระรัตนตรัยไว้นะอย่านึกถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะถ้าหากว่าเราไม่นึกถึงพระรัตนตรัยไว้ก็ลําบากละไปเกาะเกาะคนนั้นนแน่นขึ้นหนักกวเกาอีกนึกว่ามิตรแท้ที่ไหนได้โอ้โหเดินตามบอดไปทั้งนานบอดด้วยกันนี่เองนะเดินอะไรนะเออเท่าบอดที่ก็เล่ า, านะ <laughs> บอดมีคนตาดีอยู่คนหนึ่งนะ ชวนคนตาบอดมโอ้ที่โน่นเนี่ยดีนะมีอาหารสมบูรณ์บริบูรณ์มากเลยครับว่าไงไปไหมไปอไปก็จับมือตามมาแล้วก็ให้บอดช่วยช่วยกันจับมือตอ่อต่อตตอตกันนะแล้วก็พาเดินอ้อมรอบต้นไม้แล้วก็ให้บอดอีกคนหนึ่งมาจับมื อ, อบอดอีกข้างหลังอย่างกันเดินกันไปอย่างนี้นะบอดจับบอดเนี่ยก็เดินอ้อมรอบต้นไม้อ่ะจะถึงไหนอันนี้นั่นแหละเลยเขาเล่าเรื่องนึงก็บอกตาบอดเนี่ยนะ ไปลักควายอะ่ะทีนี้พอไปไปลักควายได้ก็ต้นควายออกจากคอกใหญ่เลยนะแล้วควายมันก็เดินรอบบ้านอะ่ะต้อนอยู่ทั้งคืนอะ่ะ <laughs> เดินอ้อมบ้านอย่างนั้นแหละทั้งคืนนะเจ้าของตื่นมาเห็นได้เลยนั่นแหละเพราะั้นถ้าบอร์ดก็จะเป็นในลักษณะนี้เราจะไม่รู้เลยว่าจุดหมายปลายทางเป็นต้นของเราคืออะไรเพราะฉะนั้นถ้าเราจําคําว่าการถึงไตรสารณาคมที่ชัดเจนนะนะสารณาจะชี้ให้เราเห็นอะไรนะ ถ้าถ้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะจริงๆนั้นอะ่ะพระพุทธเจ้าจะชี้ให้เห็นอะไรชี้ให้เห็นทุกข์เหตุเกิดแห่งทุกข์ความดับทุกข์และข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เมื่อเขาถึงอริยศาสต ร, ร์แล้วเนี่ยก็จะปิดอบายได้อย่างน้อยที่สุดก็เป็นพระโสดาบันเขาก็จะปิดอบายได้แล้วฮันสารณะก็จะช่วยให้เขาได้ระดับนั้นนะสา ม, มารถที่จะทําให้บรรลุมรรคผลนิพพานก็ได้ในระดับพระอรหันต์ต่อไป อย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะคำว่าธรรมะก็คือทรงไว้ซึ่งผู้ประพฤติปฏิบัติตามไม่ให้ตกไปสู่โลกที่ชั่วถ้าปฏิบัติจนถึงระดับโสดาปฏิมักแล้วเนี่ยยังไงก็ไม่ไปอบายละนะแต่ถ้าหากว่าปฏิบัติตามพระปริยติธรรมในขณะที่ปฏิบัติตามในชาตินั้นๆยังไงก็ไม่ไปอบายนะถ้าถ้าใจเป็นไปกับพระธรรมคำสอนจริงๆนะชาตินั้นก็ไม่ไปอบายละ เฉพาะชาติหนึ่งนะแต่ว่าชาติหน้าก็เผื่อไปเก็บดอกไม้เพลนล์อะไรก็ลืมลืมสารณะเลยนี่ก็แย่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็ชาติหน้าก็คนละชาติไปแล้วแต่ว่าเฉพาะชาติที่มีสารณะจริงๆเนี่ยนะสารณะไม่ปล่อยให้เราไปอบายแน่แต่อย่าลืมนะว่าคําว่าทำมังสารานังข้าฉามิของเรานะสี่คำวันนี้ก็ไปคิดเรื่องทําไมปฏิบัติไม่เป็นทำมังสารานังค้าฉามิอีกก็ไปคิดเรื่องนี้อีก คิดแล้วได้คันตอบมาอีกครั้งก็บอกว่าเพราะว่าการปฏิบัติของเรานี้ไม่สมบูรณ์นะมันต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแต่คําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นปริยัติธรรมสมบูรณ์อยู่เสมอนะไม่ขาดตกบกพร่องเลยฉะนั้นการปฏิบัติของเราก็ต้องอนุวัตตามพระปริยัตไม่ใช่ให้พระปริยัตอนุวัตมาตามเรานะาะนัะ้นเราต้องอนุวัตไปตามพระ ปริยัติธรรมนั้นสภาพจิตของเราเนี่ยนะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา<ฮ>ถ้าศรัทธาอ่อนก็ปัจจัยของศรัทธาคืออะไรก็ปรับอีกใช่ไหมถ้าสติอ่อนปัจจัยของสติคืออะไรก็ปรับอีกถ้าวิริยะอ่อนปัจจัยของวิริยะคืออะไรก็เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแต่คําสอนไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยนะยังเหมือนเดิมนะแต่ใจเราเนี่ยเปลี่ยนไปไม่รู้กี่สิบครั้งแล้วก็ไม่รู้ใช่ไหมนั้นใจของเรายัางเอาเป็นสารณะไม่ได้สักอย่าง ไม่เชื่อนะเอากุศ ล, ลจิตที่เกิดเมื่อวานเป็นตารณะดิหมดไปแล้วอะ่ะใช่ไหมกุศลก็ไม่เที่ยงแล้วกุศลเหล่านี้เนี่ยนะยังไม่ถึงกับเป็นโลกุตระกุศลพอที่จะเป็นที่พึ่งที่กเกษมสูงสุดได้นะแล้วกุศลเหล่านั้นเนี่ยนะยังให้ผลนำเกิดอยู่มหากุศลก็ยังให้ผลนำเกิดก็โยนไปในวัตถทุกข์อีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นมหากุศลของเราจึงยังเอาเป็น สารณะไม่ได้แต่สารณะสอนให้เจริญมหากุศลแต่เป็นการเจริญมหากุศลเพื่อโลกุตระกรุสุนอันคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะมีรสเดียวคือวิมุติรสนั้นคำสอนคำชี้นําทั้งหมดเลยที่เป็นภาพปริยติธรรมเนี่ยนะสอนให้เจริญมหากุศลเพื่อโลกรุตระกุศลอย่างเดียวะนั้นคําสอนเหล่านี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงแต่คุณภาพจิตของเราเปลี่ยนทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันนะท่าใจไม่เปลี่ยนนะผิดปกติไปเยอะนะ แสดงว่าด้านแล้วเกินว่ากุศลและธรรมเขามีแต่เจริญขึ้นใช่ไหมกุศลก็มีแต่เจริญขึ้นเจริญ <ผม S 1> ขึ้นเคยคิดเนะนะีศึกษาธรรมมันหนนีเ่เรามันมีอะไรดีขึ้นบางทีเ อ, เอมัน ด, ดูดูแล้วมันจะไม่ค่อยมีอะไรดีขึ้นสงสัยเหมือนกันนะครับนะแต่ระยะหลังระยะหลังนี่ผมนี่ผมเข้าใจมากขึ้นผมเข้าใจมากขึ้นรู้สึกว่ามีกําลังใจขึ้นเช่นกันอัน ต้องพยายามตรึกบ่อยๆนะอย่างน้อยที่สุดให้กรรมสกตาถ้ากรมมสกตาเรามากเท่าไหรนะตะถาคตโพธิสัตถาก็จะมากขึ้นเท่านั้นถ้าตถาคตโพธิสัตยามากและการเจริญกุศลธรรมจะไม่ยากละนะกุศลจิตจะเกิดง่ายอย่างน้อยที่สุดนะกุศลจิตก็คือการนึกถึงคําสอนนะพระไตรปิฎกเนะแปดหมืนสี่พันพระธรรมคัมภ์เนี่ยนึกได้สักอย่างหนึ่งขณะที่นึกเป็นไปกับคําสอนส่วนใหญ่ใจเป็น กุศลความอัศจรรย์ของธรรมะของพระพุทธเจ้าอย่างหนึ่งว่าหมู่สัตว์เนี่ยเมาด้วยอํานาจของราคะโทสะโมหะแต่ถ้านึกถึงคําสอนมันสั่งขึ้นได้ขนาดนั้นนะนะความอัศจรรย์ของคําสอน อ, อ่ะนะช่วยบําบัดนะจิตที่เป็นไปกับโทสะอย่างแรงๆเนี่ยนะท่านึกถึงธรรมะได้สักหมวดหนึ่งเนะี่ยมันยุบไปเยอะเมื่อกันถ้าพอกพูนปัจจัยอันนั้นก็นะอกุศลก็จะละไปได้ แต่ถ้าไม่พอพูนนะโทสะก็ได้ปัจจัยใหม่อีกครั้งหนึ่งก็เกิดต่อผมนึกถึงคนเมาบางคนพอเสียงแม่บ้านมาเท่านะั้นหายเมาเลยเดินกลับบ้านเลยเดินตรงเลยนะเจ้นั่นนั่นแหละใคำสอนนี้น่นนอนนะาอัศจรรย์ขนาดมีคริหบดีท่านหนึ่งนะเมาเลยอะ่ะพระพุทธเจ้ามาี่เห็นพระพุทธเจ้าสางเมาเลย ฟังทำและบรรลุเลยเ น, นี่ย น, นมีแบบนั้นก็มีนะแล้วถ้าหากว่าผู้ที่มีกรรมสักกาแน่นๆนะก็สามารถที่จะเจริญกุศลธรรมต่างๆเหมือนเมตตาเป็นต้นได้เนี่ยนะเมื่อกรรมดีะความเข้าใจเรื่องกรรมดีกุศลกรรมที่ทำให้เกิดการปรารบเมตตาก็จะรักษาต่อไปได้แต่ถ้าหากว่ากรรมสักตาไม่ดีนะ เราจะไม่มองเห็นกุศลธรรมมีเมตตาเป็นต้นเป็นเป็นทซั์อะไรเลยเนะเมื่อมองไม่เห็นเป็นทรัพย์เป็นต้นเนี่ยนะเราจะเก็บเมตตาก่อนนะโทสะเกิดก่อนนะเดี๋ยวค่อยเจริญเมตตาต่ออีกครั้งหนึ่งนะเพราะเราไม่เคยมองเห็นว่าไอ้โทสะนี่มันไฟเนยะมีโทษทั้งโลกนี้มีโทษทั้งโลกหน้ามีโทษทั้งโลกต่อไปอีกเนี่ยนะขอให้กรรมสกกตาอันนี้ให้แม่นให้มั่นคงซะก่อน แล้วการเจริญกุศลรธรรมแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็จะไม่ยากนักหรอกนะก็คือที่แรกเนี่ยนะเราก็จะเรียนธรรมะแบบยังไงเราได้เรียนธรรมะเรียนวิชานนวิชานี้ไปกับเขาแล้วนะก็ดีใจแต่ถ้าเข้าใจเรื่องกรรมดีแล้วศึกษาธรรมะแบบคนป่วยอ่ะคนป่วยเรียนเรื่องยานะเพื่อที่จะรักษาโรคของตัวเองนะ เพราะว่ารู้ว่าชีวิตของเรานั้นถ้าไม่มีพระธรรมคําสอนนี่อย่างไรเราเราทุกข์แน่ว่างนั้นเดียวชีวิตของเราต่อไปในวัฏทุกรเนี่ยทุกข์เรายาวแน่แต่ถ้าหากว่ากรรมมศกตาดีมากขึ้นนะจะไหมเห็นความเป็นไปในวัฏทุกรเห็นคุณค่าของพระธรรมคําสอนก็จะศึกษาใหม่ตั้งจิตใหม่ศึกษาพระธรรมเหมือนคนกินยาละทีนี้จะไม่คํานึงจนว่าเมื่อไหร่จะจบเมื่อไร่จะจากเมื่อไหรอย่างนั้นอย่างนี้จะไม่คิดแล้วนะ ก็กลายเป็นปกติวิสัยเหมือนกับการรับประทานอาหารเจริญกุศลเหมือนทานอาหารไปละทีนี่ปัจจัยอะไรที่จะเป็นเหตุให้กุศลจิตเกิดก็จะหาปัจจัยนั้นธทํานะก็จะไม่คํานึงว่าจบเมื่ อ, อไรจบยังไงอะไรยังไงเพราะนะระยะยาวนี่เรามองเห็นแล้ว อันนี้ต่อเรื่องของเมตตาอีกหน่อยนะไม่ได้เข้าเรื่องเลยในหน้าสิบเก้านะอั น, นิสง์ของเมตตาแสดงว่าอ่านกันมาทุกคนแนละเพราะฉะนั้นฟังพระสูตรเลยข้อความในสังยุตตนิกายนิทานวะโอปัมมสังยุตนะว่าด้วยอา น, นิสงค์เมตตาเจโตวิมุต พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าดูก่อนที่สุทั้งหลายสกุลใดสกุลหนึ่งมีสตรีมากมีบุรุษน้อยนะเราต้องนึกถึงภาพสมัยโบราณ น, นะไม่ใช่สมัยนี้สมัยโบราณที่ที่บ้านเมืองไม่ได้มั่นคงอะไรเท่านี้นะ ที่มีบ้านที่มีสตรีมากมีบุรุษน้อยสกุลเหล่านั้นย่อมถูกพวกโจรผู้ขโมยด้วยหม้อปล้นได้ง่ายนะเขาเขามีโจรที่ไปไปปล้นนะนะง่ายชั้นใดภิกษุรูปใดรูปหนึ่งไม่เจริญเมตตาเจโตวิมุตติไม่กระทําให้มากแล้วภิกษุรูปนั้นย่อมถูกพวกอมนุษย์กําจัดได้ง่ายฉันนั้นเหมือนกันนะก็แสดงว่า ศัตรูที่เรามองไม่เห็นตัวนี่นะที่เป็นพวกอนมนุษย์นั้นมีอยู่นะชีวิตที่เรากําลังเป็นไปอยู่เนี่ยซึ่งเรามีแต่ตาเนื้อมองเห็นคนด้วยกันนะแล้วก็ถ้ามีตาที่เป็นต้นเนี่ยนะก็จะมองเห็นพวกนะอนมนุษย์อนมนุษย์ทั้งหลายและเนี่ยนะนับตั้งแต่เรียกว่าปังสุปีศาจนะปีศาจคลุกฝุ่นมานั้นแนตะ่ก็คือพวกเปรตพวกอสุรกายหรือพวกยักษ์พวกเทพพวกรุ ก, กเทพอากาศเทพเป็นต้นเนี่ยนะ หันอามนุษย์เนี่ยนะมากกว่ามนุษย์ในพบภูมิสามสิบเอ็ดมนุษย์มีภูมิเดียวที่เหลือสามสิบเป็นอาบมนุษย์เกือบทั้งนั้นเลยดันั้นในพบอื่นๆเนี่ยมีมากกว่านะเพราะฉะนั้นพวกอาบมนุษย์สา ม, มากที่กับกําจัดได้ง่ายดูความพิสูจนทั้งหลายสกุลเหล่าใดเหล่าหนึ่งมีสตรีน้อยมีบุรุษมากสกุลเหล่านั้นย่อมถูกพวกโจรผู้ขโมยด้วยมอบล้นได้ยาก แม้ฉั้นใดภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเจริญเมตตาเจโตวิมุตต์กระทําให้มากแล้วพิสูรูปนั้นย่อมเป็นผู้อันอธรมนุษย์กําจัดได้ยากเพราะเหตุดังนี้นั้นเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราจักเจริญเมตตาเจโตวิมุตต์กระทาให้มากกระทําให้เป็นดุจยานกระทาให้เป็นที่ตั้งอาศัยให้มั่นคงสังสมปรารบด้วยดีดูก่อนพิสูุทั้งหลาย<ม>เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แหล สิกขาในศาสนานี้มีเท่าไหร่นะมีสามสูตรนี้สิกขาไหนอ่าสิกขาไหนเนะนี่อ่าอธิจิตตสิกขานะการเจริญเมตตาเป็นอธิจิตตสิกขาเพราะทําจิตให้ยิ่งให้จิตเป็นไปกับกุศลมากๆนะศึกษาเรื่องเมตตานี่นะถ้าขณะที่บริหารไม่ให้โทสะเกิดขณะนั้นเป็นอธิศีสลสิกขา แต่ถ้าสามารถทําเมตตาให้เกิดทําให้บ่อยสืบเนื่องเป็นอธิจิตตศิขาให้าาจากอามนุษย์เนี่ยแล้ว เ, เรามองไม่เห็นนี่นะก็แสดงว่าบางครั้งนี่นะผู้ที่รับภัยเนี่ยไม่มีใครรู้เลยเจนพาจังจไม่มีใครรู้นี่ภัยมาจากไหนใช่ไหมใช่เช่นสมมติว่าเราสมมุติว่าเราขับรถงี้นะเจนพ่ คนที่ตายไปแล้วก็ไม่สามารถบอกได้ใช่ไหมว่า<ด>มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยาอาจจะเกิดจากทายอมมนุษย์ก็ได้ใช่ไหมครับจนพใช่คือในเรื่องขององมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนะก็มีสองฝ่ายเนี่ยนะมีทั้งที่เป็นศัตรูและมีที่เป็นมิตรด้วยนะถ้าคนที่มีบุญนะพวกเทพที่ที่มีบุญก็จะรักษานะถ้าหาว่าคนมีศีลมีธรรมเป็นต้นเนี่ยนะพวกเทพที่ดีๆเขาก็จะดูแลรักษาเขาก็จะช่วยป้องกันอมนุษย์นั้นๆด้วย เขาก็จะช่วยดูแล ก, กันนะะแต่ถ้าหากว่าคนที่ไม่ค่อยมีศีลมีธรรม้วเนี่ยนะอะมนุษย์ที่ไม่มีศีลด้วยกันก็จะรักษา<อ>ะก็จะชอบก็จะไปกันใหญ่เหมือนกันนะเพราะฉะนนั้เทวดาเนี่ยนะก็ไปจากไหนแหละก็ไปจากมนุษย์นี่แหละเทวดาที่สำมาทิฏฐิก็มีที่เป็นมิจฉาทิฏฐิก็มีอีกสูตรหนึ่งนะว่าด้วยการให้ทาน พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระเชตาวนอารามของท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีกรุงสาวัตถีน้าใครที่ไปเชตาวนมาแล้วเนี่ยนึกออกง่ายเลยนะฟังสูตรเหล่านี้น่าจะประทับใจนะเ <c oughs> ชตาวนอีกและเพราะพระองค์อยู่จําพรรษาที่เชตาวนอที่ที่เมืองสาวัตถียี่สิบ้าพรรษาเพราะฉะนั้นพระสูตรส่วนใหญ่ก็มาจากสาวัตถีมางั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลาย ผู้ใดพึงให้ทานประมาณร้อยหม้อใหญ่ในเวลาเช้าหม้อใหญ่เลยเนี่ยนีหม้อเบอร์สี่สิบขึ้นไปอ่ะใหญ่ใหญ่มาก อ, อ่ะพึงผู้ใดพึงให้ทานประมาณร้อยหม้อใหญ่ในเวลาเที่ยงผู้ใดพึงให้ทานประมาณร้อยหม้อใหญ่ในเวลายเย็นผู้ใดพึงเจริญเมตตาจิตในเวลาเช้าโดยที่สุด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 ที่บุคคลให้แล้วสามครั้งในวันหนึ่งนั้นนะเพราะเหตุดังนี้นั้นเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราจักเจริญเมตตาเจโตวิมุตต์กระทาให้มากกระทาให้เป็นประดุจยานกระทําให้เป็นที่ตั้งอาศัยให้มั่นคงสั่งสมปราลบด้วยดีดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แหละนะอั น, นิส้ทรงน้องการเจริญ เมตตาเนี่ยนะแต่คําว่าเมตตาที่เมียนิสง์มากอันนี้ก็คือหมายถึงเมตตจิตตังอปปนาปะตะนะต้องเป็นอัปปนานะที่ว่าเมตตาจิตชั่วหยดน้ํานมแม่โคเนี่ยนะก็ต้องเป็นอัปปนาแบบนั้นแตะสา ม, มารถที่จะเจริญกว้างใหญ่ไพศาลได้นี่นะกับพ้องกระแพงองเรากับพ้องกระแพงยังก็ก็ดีก็ดีกว่าเป็นโอ้ดีเยอะเลยดีกว่าให้ทาน แต่ก็เป็นจิตตภาวนานะเพราะว่ากุศลในการให้ทานกับเมตตาเมตตานี่เป็นสมถะนะแล้วแต่ว่าผู้ใดสา ม, มารถที่จะเจริญได้บ่อยเจริญได้มากเนี่ยนะเจริญได้มากกุศ ล, ลจิตก็เกิดมากเมตตานั้นเป็นกุศลซึ่งสา ม, มารถเกิดต่อยาวได้แต่ถ้าทานเนี่ยน ะ, ะทานอย่างไรอย่างหนึ่งก็ต้องอาศัยอรรมณปัจจัยใช่มคือข้าวน้าเป็นต้นนั่นเอง ถ้าหมดนะให้ได้สองสามถ้พีเอหมดเข้าให้แล้วอารัมมณะปัจจัยของทานนกุศลก็ก็หมดเลยนะใช่ไหมยังมากก็จะเกิดโสมณทีหลังหรือพิจารณาถึงกุศลที่ทําแล้วแต่ถ้าอารมณ์ของเมตตาเนี่ยนะปิยมนาปะสัตถ์เนี่ยนะมีทุกขนทุกแห่งอะนะอารัมมณะปัจจัยมีตลอดจะคิดหรือเปล่าเท่านั้นเองแล้วเรื่องทานนี่กว่าจะทัพพีเดียวหวูเตียนเยอะมกันนเะตนทานกว่าจะหงสุกเนานะกว่าจะหงสุกว่าจะเดินไปกว่าจะเัีนทาน ดีนะธรรมบอกว่าถ้าเป็นชาวนาด้วยกว่าจะปักดำเขาจะนั่งเรื่องยาวมากเลยนะกุศลจิตเกิดขนาดหนึ่งที่คิดให้แล้วก็ได้ยกให้ไป น, นะแต่ถ้าเมตตาเนี่ยนะปิยมนาปะสัตว์เป็นที่รักที่เจริญใจก็มีเยอะแยะเนี่ยนะเราวังดีปรารถนาดีกับเขาก็คือทำยังไงนะจิตที่เป็นกุศลเกิดขึ้นคิดดีๆกับคนอื่นได้อะนั่นแหละคือเมตตาละ คิดยังไงคิดให้คนอื่นมีความสุขเนี่ยนะนะคิดยังไงก็ได้คิดให้คนอื่นก็รักษาตัวให้ปลอดภัยอะอย่างเงี้ยคิดให้คนอื่นเขาเนี่ยรักษาใจเขาให้เป็นสุขอย่างเงี้ยนะมีความสุขมีอายุยืนนะอย่างเงี้ยค่อยนึกพยายามคิดแบบนี้บ่อยๆนะฝึกจนชำนาญนนะ่ะพอฝึกจนชำนาญเมตตาจิตก็จะเกิดได้บ่อยเกิดได้มากแล้วไม่มีใครมาแย่ยงกุศลจิตนั้นด้วยนะแต่ถ้าหากว่าให้ทานเป็นต้นเนี่ยนะเราอาจจะไปให้กับคนไม่ดีใช่ไหม วันหลังมาเสียใจอีกไม่น่าให้ลเลยรู้อย่างนี้ไม่ให้แล้วตกะกัต้นรักษาใจาไม่ได้อีกแต่ถ้าเมตตาคิดให้คนอื่นมีความสุขเนี่ยนะไม่ไม่นึกเสียดายในภายหลังด้วยนะแล้วในคมพี์มีกล่าวไหมครับว่าเป็นทิฏฐธรรมที่เราได้รับเลยถ้าเราเจริญเมตตาเป็นความสุขจากการเจริญเมตตาเนี่ยนะกุศลธรรมอันนั้นเป็นทิฏฐธรรมได้ไหดูเร็วจังเลยนะเพราะว่าคือมีความสุขเลยถ้าความสุขลักษณะนั้นก็คือทำจิตแต่เชปอ้อโรนะ ไม่ใช่ผลของกรรมนะแต่ว่าอีกระยะหนึ่งก็สามารถให้ผลได้นะสามารถช่วงหลังๆไปกว่านั้นอีกนะไม่กี่วันเป็นต้นเนี่ยกรมก็ให้ผลได้และอย่างน้อยที่สุดเนี่ยคนที่มีเมตตานะประโยค่าสมบัตินะเรียกว่าเป็นคนที่เข้าใจพูดนะเข้าใจทมเป็นกายกรรมที่มีเมตตาเพราะฉะนั้นเป็นประโยค่เป็นช่องทางให้กุศลให้ผลง่ายมากเนี่ยนะ เช่นคนที่มีเมตตาใจดีเป็นต้นเนี่ยผู้ใหญ่ก็ชอบนะเมื่อผู้ใหญ่ชอบเป็นต้นเนี่ยนะประโยค่ดีละนะเป็นช่องทางของการมาอย่างอื่นอีกตั้งต่างหลายอย่างถ้าเมตตาทางกายอยากก่างกรรมวจีกรรมนี่ก็ได้ผลสะท้อนกลับมาด้วยวัจีที่เป็นวัจีที่ดีเจริานที่เป็นการได้รับติ่งตอบแทนด้วยนะเจริาใช่นะเป็นประโยค่ที่จะให้กุศลให้ผลได้ง่าย นะ <S <S จนพอเกิดญาณจนพออีกสูตรหนึ่งนะในสติสูตรนะพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนเะชตวันอีกนั่นแหละพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกล่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายหอกมีใบอันคมนะเคยเห็นหอกนะนะใบบางๆอ่ะคมถ้าเฉือนใครก็เลือดออกเลยนะมีใบอันคมเนี่ยนะท่าบุรุษพึ่งมากล่าวว่า จะงอเข้าจกพับจกม้วนซึ่งหอกมีใบอันคมนี้ด้วยฝ่ามือหรือด้วยกำมือดังนี้เธอจะสําคัญความข้อนั้นเป็นไนบุรุษนั้นเป็นผู้สามารถเพื่อจะงอเข้าเพื่อจะพับเพื่อจะม้วนซึ่งหอกมีใบอันคมโน้นด้วยฝ่ามือหรือด้วยกำมือได้หรือ no พี่สูตรทั้งหลายกราบทูลว่าเป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้าข้า ทรงตัดว่าข้อนั้นเพราะเหตุไรภิกษุกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะว่าการที่จะงอเข้าและจะพับและม้วนซึ่งหอกมีใบอันคมด้วยฝ่ามือหรือด้วยกำ ม, มือกระทำไม่ได้ง่ายมือเปล่าๆ เ, เ, เนี่ยนะจะเอางอดาบคมๆนี่จะเป็นไปได้ยังไงเนอะมือก็เสียหายหมดแหละก็แหละบุรุษนั้นเพีงเป็นผู้มีส่วนแห่งความเหน็ดเหนื่อยลาบากถ่ายเดียวแม้ฉันใด ดูการภิกษุทั้งหลายภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเจริญเมตตาเจโตวิมุตต์กระทําให้มากกระทําให้เป็นประดุจยานกระทําให้เป็นที่ตั้งอาศัยให้มั่นคงสังสมปรารกด้วยดีถ้าอมนุษย์จะพึงกระทําจิตของพิกษุนั้นให้ฟุ้งซ่านอมนุษย์นั้นพึงเป็นผู้มีส่วนแห่งความเหน็ดเหนื่อยลําบากขายเดียวฉะนั้นเหมือนกันเพราะเหตุดังนี้นั้นเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่า เราจักเจริญเมตตาเจโตวิมุตต์กระทำให้มากกระทาให้เป็นประดุจยาณกระทำให้เป็นที่ตั้งอาศัยให้มั่นคงสังสมปรารภด้วยดีดูก่อนพิสูจทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แหละเนี่ยน ะ, ะยังมีสูตรข้างหน้าที่น่าสนใจอีก สองสูตรเนี่ยนะสูตรสั้นๆ เ, เขาเขาสามารถทำได้บางแห่งท่านก็กล่าวว่าอมนุษย์เนี่ยนะทำให้ให้คนเนี่ยตกใจให้ตกใจเขาก็ล้วงมือเนี่ยนะเข้าไปแล้วก็ไปเปลี่ยนน้ำดีคือคือให้น้ำดีเนี่ยนะทำงานไม่ไม่สะดวกอะ่ะนะก็ไปไปทการเปลี่ยนแปลงร่างกายบางส่วนนะร่างกายเราก็ฟุ้งซ่านลนะ อย่าลืมว่าความคิดของเราเนี่ยนะจิตก็เหมือนกับเสียงนั่นแหละนะจิตก็เหมือนกับคลื่นนะถ้ามีอะไรมารบกวนคลื่นซะคลื่นนั้นก็เดินไม่สะดวกแล้วใช่ไหมความคิดเราก็เหมือนกันนะถ้าร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งเกิดการบกพร่องเป็นต้นนะจิตเราก็ไปไม่ดีแล้วฉะนั้นมนุษย์เขาสา ม, มารถที่จะาทาการเปลี่ยนแปลงระบบน้ําดีได้นะเขาจะล่วงเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนการทางานนิดหน่อยนะเราก็เพียนแล้ว ใช้มือเขาทีอ้ามืออมนุษย์อะอมนุษสโตวาเนี่ยนะราชโตวาโจรโตวามนุษยโตวามนุษโตวาคิโตวาเนี่ยนะภัยที่เกิดจากอมนุษย์นี่ก็มีอยู่อันอมนุษย์เนี่ยเขาสามารถทําให้เราเสียหายได้ทั้งเยอะแยะมากมายนะฟังสูตรนี้ท้ายเรื่องอีกนิดหนึ่งว่าณขคสิกสูตรนะ สูตรนี้ฟังแล้วก็ประทับใจมากเลยการประทับใจด้วยหรึเปล่าไหนล่ะพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนัฐปิณธิกะเศรษฐีกรุงสาวัตถีครั้งนั้นแหลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงช้อนฝุ่นเล็กน้อยไว้ที่ปลายพระนขาแล้วใช้เล็บเนี่ยนะช้อนฝุ่นขึ้นมาจากแผ่นดินเนี่ยนะที่มันเป็นฝุ่นนะพระองค์ไม่ได้ขุดแผ่นดินนะ แต่ว่าฝุ่นมีอยู่แล้วอ่ะแล้วตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไงฝุ่นเล็กน้อยที่เราช้อนขึ้นไว้ที่ปลายเล็บนี้กับมหาปตพีนี้อย่างไหนจะมากกว่ากันนะฝุ่นในปลายเล็บเนี่ยนะภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมหาปตพีนั่นแหละมากกว่า ฝุ่นเล็กน้อยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงช้อนขึ้นไว้ที่ปลายพระนขานี้มีประมาณน้อยย่อมไม่ถึงแม้ซึ่งการนับย่อมไม่ถึงแม้ซึ่งการเทียบเคียงย่อมไม่ถึงแม้ซึ่งส่วนแห่งเสี้ยวเพราะเทียบมหาปตพีเข้าแล้วฝุ่นที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงช้อนขึ้นไว้ที่ปลายพระนขามีประมาณเล็กน้อยดูก่อนที่สูตทั้งหลาย สัตว์กลับมาเกิดในหมู่มนุษย์มีประมาณน้อยสัตว์เกิดในกำเนิดอื่นจากมนุษย์มีมากกว่าทีเดียวฉะนั้นเหมือนกันที่มากกว่านี้คืออบายน ะ, ะที่กลับมาเป็นมนุษย์หรือไปเป็นเทวดาเนี่ยนะพอพอกับฝุ่นในปลายเล็บทีนี้เราก็มาถามเออเรานี่เป็นฝุ่นหรือเป็นแผ่นดินกันแน่ถามว่าประทับใจหรือเปล่าสไหมครับฟังแล้วเสียววครับ ถ้าเข้าถึงใจได้ก็ใช้ได้เพราะเหตุดังนี้นั้นเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราจักเป็นผู้ไม่ประมาทนะพระองค์ให้ตั้งตั้งอะไรว่าเราจักไม่ประมาทให้ศึกษาเลยนะดูก่อนพิสูจทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แหล ะ, ะข้อความในอัตถากล่าวว่าบทว่าอัญญตะมนุ ษ, ษย์เหตุความว่า เหล่าชนที่จุติจากมนุษย์โลกแล้วไม่เกิดในมนุษย์โลกไปเกิดเฉพาะในอบายสี่มีมากกว่าเหมือนฝุ่นในมหาปฏาปีก็พระสูตรนี้ท่านรวมเทวดากับมนุษย์เข้าด้วยกันเพราะฉะนั้นพึงทราบว่าผู้เกิดในเทวโลกมีประมาณน้อยเหมือนผู้ที่เกิดในมนุษย์โลกฉะนั้นนะที่ไปเกิดเป็นเทวดาก็พอๆกับฝุ่นในในเล็บนั่นแหละ ที่ที่เอาสูตรนี้มาอ่านเพื่อที่จะได้ให้เห็นว่ า, าความคิดของเราเนี่ยนะอย่าได้ประมาทเลยนะถ้าคนที่ปล่อยจิตให้เป็นไปกับอกุศลไม่มันที่จะเจริญสิกขาสามเนี่ยนะสังสารวัตน่ากลัวขนาดไหนเพราะฉะนั้นในชั้นต้นที่สุดในการพิจารณาเรื่องกรรมบทให้แน่นๆหน่อยก็ดีว่านะในอารัมมณะปัจจัยสิ่งเดียวนี้สามารถร่วงกรรมบทอะไรได้บ้างนะทุกๆอารมณ์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยนะ เอาเรื่องกรรมมาบทเนี่ยมาตรึกให้มากๆอย่างยกตัวอย่างนะเดี๋ยวโยงเรื่องก่อนนิดหนึ่งว่าเออตอนแรกกล่าวว่าทุกๆอย่างเนี่ยเป็นอารมณะปัจจัยของอาชีพหมดเลยใช่ไหมในอาหารหนึ่งคำที่เราทานเข้าไปเนี่ยนะมีคนล่วงกรรมบทเพราะอาหารชิ้นนั้นเท่าไหร่นะข้าวกว่าจะได้มาถ้วยหนึ่งเนี่ยนะชาวนาเนี่ยล่วงกรรมบทเท่าไหร่เนี่ยนะ แม่ครัวเป็นต้นล่วงกรรมบทเท่าไรแล้วกว่าเราจะมาตักกินเนี่ยนะแล้วบางทีเนี่ยขณะที่ทานไปรสอร่อยบางทีล่วงกรรมบดมุสาวาตอีกอาศัยอาหารนั่นแหละมันเป็นปัจจัยแห่งการล่วงกรรมบดตั้งมากมายมหาศาลอาศัยอาหารเหล่านั้นเป็นปัจจัยให้เกิดมิจฉาทิฏฐิเป็นต้นก็ได้ะนะถ้าเอามาตรึกในลักษณะนี้บ่อยๆเราก็จะไม่ค่อยประมาทละนะนะหรือว่าเอ๊ะชีวิตชักแข็งแรงหรือเปล่า นะกุศลกิจเกิดบ่อยๆเอชีวิตแห่งแรง้งตายหรือเปล่านะไม่ค่อยสนุกเลยเนาะแต่เราก็ตรึกทางตร ง, งข้ามในเรื่องกุศลกรรมบทสิก็ได้ด้วยคือให้ให้มองเห็นทั้งสองอย่างไงอ่าให้เห็นทั้งฝ่ายดำและฝ่ายเขานะในอารมณปัจจัยสิ่งเดียวนะแล้วก็เอาสายเนี่ยกายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรมเนี่ยนะเอาศีลสิกขามาตั้งก่อนนะ เป็นศีลได้ยังไงนะล่วงกรรมบทได้ไหมเสร็จแล้วถ้าพลาดนะก็สมาทานตั้งใจแล้วจะเห็นว่าอารมมณปัจจัยที่เราอยู่ๆแล้วฟุ้งคิดขึ้นเนี่ยนะส่วนใหญ่เป็นอารมณปัจจัยที่เกิดจากการหลงลืมสติส่วนใหญ่ที่อยู่ๆแล้วก็ลอยขึ้นลอยขึ้นทําให้เราผุดคิดเรื่องราวต่างๆเนี่ยนะเหมือนกับเราเนี่ยเหมือนอารมณ์นั้นลอยมาหาเราที่ไหนได้เราเนี่ยแหละตึกถึงเองนะเกิดจากวิตกของเร า, าวิตกเหล่านั้นเนี่ยนะ ส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดสิ่งที่เราคิดไม่ใช่เรื่องขณะนั้ น, น, นเป็นไปกับกุศลนะเพราะการหลงลืมสติเพราะความประมาทนั่นเองแล้วถ้าเราพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆนะถ้ามีศรัทธาในคําสอนอยู่อย่างหนึ่งว่าตบะและพรหมจรรย์นะไม่ใช่น้ําแต่เป็นเครื่องชําระเราได้นะอย่างน้อยที่สุดชําระจิตขณะนั้นๆของเราได้แล้วยังเป็นอุปนิสัยให้กุศลธรรมชั้นสูงเกิดขึ้นได้ ถ้าปูพื้นฐานเรื่องกุศลศีลเหล่านี้บ่อยๆนะกรรมบดมาตั้งเสร็จแล้วอินทรีย์สังวรจะมากขึ้นปัจญาสานิสิตศีลก็จะมากขึ้นนะขอให้มั่นคงในเรื่องของกรรมบทว่าในเราศึกษากรรมบทนี่จะเห็นนะท่านจะให้เราพิจารณาโดยเวทนานะในกรรมบทนะตอนจบนท่านจะบอกโดยเวทนาโดยมูลโดยอารมณนะ์ท่านจะบอกหมดเลยโดยเหตุ ท่านบอกเพื่อให้เราอะไรเพื่อให้ได้ปัจจัยเอาไปตรึกนั่นเองนะอันนั้นซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้เอาเรื่องกรรมบทมาวินิจฉัยโดยเวทนาโดยอารมณ์และโดยมูลเป็นต้นอีกครั้งหนึ่งนะวันนี้ก็คงใช้เวลาแต่เท่านี้นะ